สิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเรามากที่สุดก็คือจิตใจของพวกเราเองเพราะจิตใจของพวกเราเป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับเราเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาทำให้เราทุกข์ได้ที่จะทำให้เราสุขได้อย่างแท้จริง ความสุขความทุกข์นี้เกิดจากใจของเราเองคิดขึ้นมาเองคิดแล้วก็สุขคิดแล้วก็ทุกข์ดนั้นเราต้องรู้จักวิธีทำให้ใจคิดแต่เรื่องที่จะทำให้มีความสุขให้เราไม่ไปคิดในเรื่องที่จะทำให้เราทุกข์ ความสุขความทุกข์อยู่ตรงนี้ส่วนอย่างอื่นนั่นก็เป็นเพียงแต่ให้ความสุขความทุกข์ทางร่างกายทางร่างกายก็สุขทุกข์เพราะมีหรือไม่มีสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายถ้ามีสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายร่างกายก็สุข เช่นมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นเรื่องความสุขความทุกข์ของร่างกายที่ไม่สำคัญเท่ากับความสุขความทุกข์ของใจเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี่มีความรุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกาย และนานกว่ายาวกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายร่างกายนี้จะสุขขนาดไหนเดี๋ยววันที่มันตายมันก็จบแต่ใจนี้ไม่ได้จบไปกับความตายของร่างกายใจ ย, ยังสุขยังทุกข์ต่อไปถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจ ใจก็จะสุขไปเรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจของเราก็ยังสุขอยู่ขณะที่มีร่างกายใจของเราก็สุขอยู่ขณะที่ร่างกายเป็นอะไรไปใจก็ยังสุขอยู่ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจก็ยังสุขอยู่ได้ถ้าเรารู้จักวิธี ทำใจให้สุขเราจะสามารถมีความสุขได้ในทุก <c oughs> เหตุการณ์จะยากดีมีจนจะสุขได้จะล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงนินไม่มีทองใจก็ยังจะสุขได้ไม่มีเพื่อนไม่มีใครทุกคนทอดทิ้งเราหมด เวลาหมดเนื้อหมดตัวนี่เพื่อนฝูงนี่หาไม่ค่อยได้แต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะสุขถ้าเรารู้จักวิธีทำให้ใจสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้จักกันไม่รู้จักวิธีทำใจให้เราสุขส่วนใหญ่เราจะกลับไปทำใจให้เราทุกข์กันทั้งๆ ท, ที่เรา อะไรมากมายกายกองมีพอที่จะทำให้เราร่างกายของเราอยู่อย่างสุขสบายไปจนวันตายแต่ใจของพวกเราก็ยังไม่พ้นจากการสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมากดดันใจอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุข เรากลับไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเราจึงต้องเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเข้ามาหาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจเพราะพระพุทธศาสนามีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราสร้างความสุขทางใจกัน ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันจะทุกกับความอกับเรื่องราวต่างๆทั้งๆที่ไม่ต้องทุกแต่เราก็ทุกับมันเราจะมักจะทุกกับการสูญเสียสิ่งที่เราได้มาทุกข์กับ เหตุการณ์ที่เราไม่ชอบทุกกับความอดอยากขาดแคลนทุกกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆทุกกับความเสื่อมของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายไม่สบายเราก็จะทุกข์ใจันทุกทางร่างกายเพียงอย่างเดียวยังไม่พอยังต้องมาทุกทางใจด้วยทั้งที่ใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายแต่ความไม่รู้จักวิธีรักษาใจให้มีความสุข กับความทุกข์ของร่างกายใจกลับไปมีความทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาศึกษาวิธีทำใจของพวกเราให้มีความสุขกันความสุขของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราคิด ในทางที่ทําให้เรามีความสุขให้เราคิดไปในทางที่ทําให้เราสบายใจวิธีคิดที่จะทําให้เราสบายใจก็คือท่านสอนให้เราคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เป็นของต่างๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นเหมือนของยืมมาเรายืมของเขามาเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปให้คิดว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นั้น เป็นของชั่วคราวและมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเจริญได้มีการเสื่อมได้ไม่ใช่จะเจริญอย่างเดียวมีทั้งขึ้นมีทั้งลงให้เรารู้ว่าถ้าเราไปอยากจะให้เขาไม่เสือ่อมเราก็จะทุกข์ ถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นของเราเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องให้เขาเสื่อมให้เขาเปลี่ยนให้เขาจากเราไปนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขใจของเรานี่ ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีทรัพสมบัติไม่ต้องมีข้าวของเงินทองต่างๆใจนี้เป็นใจที่สมบูรณ์คือมีความสุขในตัวของตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นร่างกายและ ข่าของเงินทองต่างๆอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจการที่ใจไปคิดว่าต้องมีสิ่งต่างๆต้องมีลูกเสียงกลิ่นรสต้องมีลาบยศสรรเสริญต้องมีร่างกายเป็นความคิดไปในทางทำให้เกิด ความทุกข์ขึ้นมาเพราะต้องไปมีร่างกายถ้าอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายถ้ามีไม่มีตาหูจมูกเล่นกายก็ไม่สามารถมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ อันนี้เป็นความคิดที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะต้องไปหาตาหูจมูกื่นกายมาเป็นเครื่องมือในการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะได้ซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเส่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 ต้องไม่มีอะไรต้องอยู่กับไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความว่างให้ได้ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่ทุกข์เวลาลาบยศสรรเสริญเสื่อมไปหมดไปเวลาตาหูจมูกลิ้นกาย เสื่อมไปหมดไปใจก็ไม่ทุกข์เพราะใจไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญสุขนี่คือวิธีคิดที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขคือเราต้องไม่พึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่พึ่งร่างกายอันนี้ ไม่พึ่งลาบยศสรรเสริญไม่พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เราเพึ่งใจให้เราเพึ่งความสงบให้เราอยู่กับความสงบถ้าใจของเราสงบใจของเราจะมีความสุขและไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญนี่คือวิธีคิดที่จะทำให้เรามีความสุขเมื่อคิดแล้วเราก็ต้องทำตามความคิดอะไรทำให้ใจเรามีความสุขก็คือความสงบทำใจให้สงบแล้วใจก็จะมีความสุขใจไม่สงบเพราะความอยากเพราะความคิด ไปในทางความอยากพอคิดไปในทางลาบยศสรรเสริญคิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้เพราะเป็นความคิดที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจให้คิดว่าสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์ได้มาแล้วมันทำให้เราติดต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องมีอยู่เรื่อยๆเหมือนต้องมีลมหายใจเวลาขาดลมหายใจนี่จะตายให้ได้จะต้องตายเวลาขาดลาบยศสรรเสริญขาดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนี่จะทรมาน พอใจไปติดเวลาติดแล้วก็จะอยากเสพอยู่เรื่อยๆอยากมีอยู่เรื่อยๆพอไม่มีมันก็จะทุกข์แต่ถ้าเราสอนให้ใจอย่าไปเสพอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีสิ่งต่างๆโดยการหยุดความคิด ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะหยุดความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะรู้ว่าเอ๊ะไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้เรามีความสุขมากกว่าการมีอะไรเพราะการมีอะไรทำให้เราต้องมีอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เรามีมันจะต้องเสื่อมหมดไป มีแล้วเราก็เอามาใช้กันใช้ไปใช้ไปมันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปก็ต้องคอยหามาใหม่เวลาหาก็เหนื่อยยากลำบากเวลาหาไม่ได้ก็เครียดนี่คือการหาความทุกข์กันโดยที่ไม่รู้สึกตัวคิดว่าเป็นการหาความสุข ก, กัน การหาความสุขที่แท้จริงของใจก็คือการไม่หาอะไรนั่นเองการอยู่เฉยๆอย่าไปห า, าลาภยศสรรเสริญอย่าไปหาลูกเสียงกิลมลดให้มานั่งเฉยๆกันอยู่เฉยๆกันถ้าทําใจให้เฉยทําใจให้สงบได้ใจจะมีความสุขมากมากกว่า การได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่แหละเป็นการสร้างความสุขให้กับใจคือการไม่หาความไม่หาอะไรมาให้ความสุขกับใจให้ใจสงบไม่ให้คิดยิไปในทางความอยากต่างๆถ้าใจไม่คิดไปในทางความอยากใจจะไม่ทุกข์ ใจจะสุขใจจะสบายถ้าคิดไปในทางความอยากใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีพออยากได้อะไรก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาต้องไปเอาสิ่งที่อยากได้มาถ้าได้ก็สุขเดียวเดียวแล้วเดียวก็เกิดความอยากหาสิ่งอย่างอื่นต่อไป เนื้หาสิ่งเดิมอีกเพราะสิ่งเดิมที่ได้มามันให้ความสุขไปหมดแล้วเจนได้ดื่มเครื่องดื่มแล้วความสุขที่ได้จากการดื่มเครื่องดื่มก็หมดไปเดี๋ยวก็อยากจะได้ความสุขจากการดื่มเครื่องดื่มอีกอก็ต้องไปดื่มใหม่อีกแล้วถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์แต่ถ้าเราฝืนความอยากได้ ไม่ทำตามความอยากได้ไม่มีพอไม่มีความอยากดื่มก็จะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเครื่องเดือดให้ดื่มอันนี้เดือดร้อนแต่เดือดร้อนเพื่อร่างกายร่างกายมันขาดน้าก็ต้องเติมน้ำให้มันอันนี้ไม่ได้ดื่มด้วยความอยาก ดื่มตามความต้องการของร่างกายที่ทุกคนจะต้องมีเหมือนกันไม่ว่าคนที่จะมีความอยากแล้วไม่มีความอยากถึงเวลาก็ต้องดื่มถึงเวลาก็ต้องเติมน้ำเติมอาหารให้กับร่างกายถ้าไม่เติมร่างกายก็อยู่ไม่ได้ร่างกายก็ต้องตายไปถ้าเติมแบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้ามันถึงเวลาที่ไม่สามารถจะเติมได้จริงๆก็ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันก็ปล่อยให้มันตายไปนั่นเองคนที่ไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายาทำตามความอยากต่างๆก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีร่างกายเพราะไม่เลยใช้ร่างกายให้ไปหาอะไรมาอาืมที่ มีร่างกายอยู่ก็ยังไม่ตายก็ดูแลมันไปตามอัตภาพอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปคนที่ไม่มีความอยากคนที่เขาสบายแล้วที่เขายังมีร่างกายอยู่แล้วเขายังไม่ทิ้งมันไปก็เพราะเขาเห็นว่ายังเอาร่างกายมาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อยู่ อย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดความอยากได้หมดแล้วท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วท่านจะทิ้งร่างกายปล่อยให้มันตายไปก็ได้ไม่กินไม่ดื่มไม่กี่วันมันก็ตายแต่ท่านก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านรู้นี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ประโยชน์มากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังจะได้รับประโยชน์จะได้พบกับวิธีที่สร้างความสุขให้กับตนเองอย่างแท้จริงวิธีที่ดับความทุกข์ต่างๆได้หมดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจได้ดับแต่ความทุกข์ทางร่างกาย แต่ความทุกข์ทางใจนี้ดับไม่ได้มีวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพักเท่านั้นที่ดับได้ถ้าพระพุทธเจ้าส่งคนพบแล้วไม่สอนไม่บอกใครก็ไม่มีใครจะได้รับประโยชน์แต่ถ้าพระพุทธเจ้าส่งเอามาสอนมาบอกผู้อื่นผู้ที่ไม่รู้พอได้พอรู้แล้วปฏิบัติตามได้ก็จะได้ความสุข ดับความทุกข์ทางใจได้นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้ายัางต้องรับประทานอาหารยังต้องดื่มน้ำเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้มาสั่งสอนพวกเราที่ยังไม่รู้ว่าความสุขของใจของพวกเราเกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข ของใจของพวกเราเกิดขึ้นได้อย่างไรระดับได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีความอยากแล้วแต่ยังต้องดื่มน้ำยังต้องรับประทานอาหารอยู่ก็ยังต้องเอาร่างกายนี้มาเผยแผ่สั่งสอนคนที่ไม่รู้จากการสร้างความสุข ดับความทุกข์ทางใจแต่ท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทำงานนี้เลยนอกจากได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายนี้ไปเท่านั้นเองคือญาติโยมก็จะสนับสนุนพระพุทธเจ้าในเรื่องปัจจัยสี่ บินฑบาตอาหารบินฑบาตจีวรที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปก่อนนั้นรถยนต์รถม้าอะไรก็ไม่ได้ใช้สมัยก่อนก็มีรถยนต์มีรถมีรถมา้ามีอะไรแต่พระพุทธเจ้าไปไหนก็ใช้การเดินเดินเท้า จะไปไปโปรดญาติโยมที่ไหนไปสั่งสอนที่เมืองไหนก็เดินไปเพราะท่านไม่มีความอยากที่จะไปให้ถึงอย่างรวดเร็วไม่มีความอยากที่จะมีความสบายทางร่างกายท่านก็ไปตามสบายของท่านท่านเดินของท่านไปอย่างสบาย ไปเจอใครใครอยากจะฟังเทศก็สอนให้ฟังพูดให้ฟังบอกให้รู้ว่าอย่าไปหาอะไรต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขว่ามันเป็นการหาความทุกข์เป็นเหมือนหายาเสพติดคนที่ไม่เสพยาเสพติดกับคนที่เสพยานี่ใครมีความสุขมากกว่ากันใครมีความทุกข์มากกว่ากันแต่ทําไมเขาถึงไปเสพกัน เพราเขาหลงคิดว่าเสพแล้วมันจะดีกว่าไม่ได้เสพพอเสพแล้วมันก็ติดเวลาเสพมันก็สุขแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วพอมันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทำให้ต้องเสพจะได้ทำให้ความทุกข์นั้นหายไป พอไม่ได้เสพก็ทุกข์ใหญ่แต่คนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดก็จะไม่เดือดร้อนเวลาไม่ได้เสพก็ไม่ได้ไม่ทุกข์มีความสุขมากกว่าคนเสพทัในใดคนที่ไม่เสพลาบยศสรรเสริญไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดคนที่ไม่ต้องมีร่างกายนี่สบายกว่าคนที่ยังต้อง มีร่างกายต้องใช้ร่างกายหาลาบยศสรลเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆาะไม่สามารถฝืนความอยากได้ไม่สามารถหยุดความอยากได้คนที่สามารถฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้ก็จะไม่เดือดร้อนกับการที่ไม่มีอะไรก็ <ส> <Edge> ขนาดที่ไม่มีความอยากนั oui. yep ้นใจมันสบายใจมีความสุขใจไม่เดือดร้อนตาร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้ใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องการอะไรจากร่างกายไม่ต้องการให้ร่างกายไปหาอะไรมาให้เพราะไม่มีความอยากถ้ามีความอยากก็ต้องใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาให้ อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกิน่นรสก็ต้องใช้ร่างกายพาไปหามาแต่หาได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่พอหาแล้วก็มีความสุขได้เดียวเดียวได้ขณะที่หามาแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกไม่พอแล้วอยากจะได้เพิ่มอีกอยากจะมีเพิ่มขึ้นไห แล้วถ้ามันหมดไปหรืนลดลงไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยเลิกหากลายเป็นพระราชุ ก, กุมารก็ลาออกสะละราชสมบัติ ไปอยู่แบบขอทานขอมือ้อกินมื้อไปขอไปวันละมือ้อกินวันละมื้อไปพออยู่แบบขอทานกับมีความสุขความสบายทางจิตใจมากกว่าอยู่แบบราชโอรสอยู่แบบราชโอรสก็ต้องคอยมีความวิตกกังวล ว่ามันจะเสื่อมมันจะหมดไปเมื่อไหร่เกิดมีสงครามเกิดมีใครมาปฏิวัติขึ้นก็เดี๋ยวก็จากเป็นเจ้าก็จะกลายเป็นเป็นเบาไปการที่เป็นอะไรก็มีความกังวลว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่มันจะเสื่อมไปเมื่อไหร่มันก็เป็นความทุกข์ทางใจ ทั้งๆทั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่มีข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองแต่ข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองนั้นก็ไม่สามารถมารับประกันว่าจะอยู่ไปด้วยกันได้นานสักเท่าไหร่มีวันที่จะเสื่อมหมดไปได้ mm hmm. เพราะเกิดมันเสื่อมขึ้นมาก็เดือดร้อนมุนวาย mm hmm. นี่คือความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากการเราไปอาศัยสิ่งต่างๆที่มันไม่เชียงแท้แน่นอนมันไม่ท้าวอนมันไม่คงเส้นคงวามีเสือ่อมีมีเจริญมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <c oughs> แต่ความสงบนี้ไม่เปลี่ยนความสงบใจนี้จะอยู่คู่กับใจไปเรื่อย ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบ ก, การทำใจให้สงบ ก, ก็คือหยุดความคิดหยุดความอยากนี่เพฉนั้นการที่ใจใจจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีเบรกของใจความคิดนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปวิ่งมาจะให้รถยนต์หยุดก็ต้องมี break. เบรกเย็นพอมาถึงสีแยกไฟแดง เห็นไฟแดงก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็จะวิ่งต่อไปมันก็จะไปชนกับรถที่วิ่งมาอีกอีกทางหนึ่งใจก็เหมือนกันพอเกิดความอยากถ้าไม่เบรกมันมันก็ต้องไปทำตามความอยากพอถ้าไม่ทำตามความอยากมันก็จะทุกข์แล้วพอได้ทำตามความอยากแล้ว เดี๋ยวมันก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกมันจะมีความอยากโผล่มาเรื่อยๆไม่มีวันหมดต่อให้ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากที่ในใจมันก็ยังไม่หมดไปกับความตายของร่างกายมันก็เลยพาให้มาเกิดใหม่กันมามีร่างกายอันใหม่มาทำตามความอยากใหม่กัน ดัง น, นั้นเราต้องมาหยุดความอยากหยุดความคิดกันให้ได้นะเครื่องมือเบรกที่จะหยุดความคิดนี้ได้ก็คือสติถ้าเราเอาใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธอย่นี้มันก็จะไปอยู่เรื่องอื่นไม่ได้ถ้าไปอยู่เรื่องอื่นมันก็จะไม่อยู่กับพุทโธ ถ้าอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปอยู่กับเรื่องอื่นไม่ได้หรือตอนนี้เราฟังธรรมกันถ้าเราจดจ่ออยู่การฟังธรรมมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้ไปคิดถึงเงินทองไม่ได้ไปคิดถึงงานการไม่ได้ถ้าไปคิดก็สแสดงว่าไม่ได้ฟังธรรมฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะฟังรู้เรื่องอ pink, ก็ต้องจดจ่ออยู่กับการฟังธรรม เมื่อจดจ่ออยู่การฟังธรรมมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ดงั้นถ้าเรายังไม่สามารถให้มันอยู่กับพุโทโธได้การฟังธรรมก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะหนึงใจให้ออกจากความคิดต่างๆให้มาเกาะติดอยู่กับการฟังธรรมไปการฟังธรรมได้ประโยชน์สองอย่างได้ดึงความคิดดึงใจออกความคิดไปในทางที่ไม่ดี ความคิดไปในทางความอยากก็จะถูกดึงออกมาใจจะดึงออกมาจากความคิดที่จะไปทางความอยากถ้าตอนนี้ไม่ได้ฟังทำเดี๋ยวอาจจะคิดว่าอยากจะกินขนมแล้วอยากจะดูอะไรแล้วอยากจะฟังอะไรขึ้นมาก็จะต้องไปถามพ่อเพราะเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ทำมันเครียดมันหงุดหิดมันลำคาญต้องได้ทำตามความอยาก ความหงุดหงิดความลำคาญใจมันถึงจะหายไปแต่มันหายไปชั่วขณะที่ไม่มีความอยากเดี๋ยวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความหงุดหงิดลำคาญใจก็กลับขึ้นมาใหม่ด น, นเราต้องหาวิธีดึงใจไม่ให้ไปคิดในทางความอยากให้ได้ถ้าอยู่กับพุทธโธไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนนั่งเฉยๆอย่าไปทาอะไร ฟังเทศฟังธรรมนั่งเฉยๆจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะจะได้จดจ่ออยู่การฟังธรรมถ้าไปทำนู่นทำนี่มันก็ไปมันก็ไม่ได้อยู่การฟังธรรมถ้าจะทำอะไรก็ให้จดจ่ออยู่กับงานที่เราทำอยู่แทนก็ได้เช่นกำลังทํากับข้าวก็ให้อยู่กับการทากับข้าวไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่จะไปเที่ยวที่นั่นเรื่องที่จะไปเที่ยวที่นี่อย่าไปคิดถึง เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของอะไรต่างๆให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่มันก็จะไม่สามารถไปคิดตามความอยากได้อันนี้ก็เป็นวิธีเบรกใจอีกวิธีหนึ่งเป็นสติอีกแบบหนึ่งเป็นการสร้างสติอีกแบบหนึ่งด้วยการจดจ่อเฝ้าอยู่กับการทำงานของร่างกายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้รู้ว่ากาลังทาอะไรอยู่ในขณะนี้ กำลังแปลงฟันกำลังหวีผมกำลังล้างหน้ากำลังใส่เสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับภารกิจการงานของร่างกายมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงการที่จะไปทำตามความอยากต่างๆได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือจะใช้พุทโธพุทโธไป ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจมันก็จะไปคิดถึงเรื่องความอยากต่างๆไม่ได้แล้วพอเรามีสติแล้วเราก็ต้องมานั่งเฉยๆเพื่อทำใจให้มันนิ่งเต็มที่เต็มร้อยเพราะถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ใจจะไม่สามารถสงบได้เต็มที่อยากให้ใจสงบเต็มที่ให้มีความสุขอย่างเต็มที่ ก็ต้องมานั่งหลับตาแล้วก็พุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปไม่ต้องพุทเข้าโทออกดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพุทธโธก็พุทธโธอย่างเดียวหรือถ้ายังทำไม่ได้อยากจะพุทธเข้าโทออกก็ได้ก็มีสามวิธี ดูลมอย่างเดียวพุทโทอย่างเดียวหรือผสมกันพุทเข้าโทออกอวิธีไหนก็ได้ขอให้มันหยุดความคิดต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าทำได้ใจจะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งรวมเข้าสู่ตัวรู้จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวคิดจะหายไปตัวคิดจะหยุดคิด ในใจนี่มีสองตัวมีตัวรู้กับตัวคิดตัวคิดนี่เป็นตัวปัญหาตัวรู้นี่ไม่เป็นตัวปัญหาตัวคิดนี่พอหยุดแล้วก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้ก็จะรู้เฉยๆการรู้เฉยๆนี่เป็นสุขถ้ารู้แล้วอยากนี่เป็นทุกข์ันั้นต้องให้รู้เฉยๆอย่าไปรู้แล้วอยากถ้ารู้แล้วอยากแล้วมันจะทุกข์ พออยากได้อะไรแล้วมันจะทุกข์เั้นต้องหยุดความคิดพอหยุดความคิดก็จะหยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากใจก็จะสงบพอไม่มีความคิดใจก็จะสงบแล้วใจก็จะสบายใจก็จะมีความสุขนี่แหละเป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจคือทําใจให้สงบแล้วก็ หยุดความอยากต่างๆหลังจากที่ใจสงบแล้วใจสบายแล้วเวลาถอนออกจากความสงบมันก็จะเริ่มอยากขึ้นมาตอนนั้นเราต้องใช้ความคิดที่จะทำให้เราหยุดความอยากเป็นคิดว่าเรากำลังไปหาความทุกข์เรากำลังจะไปเสพยาเสพติด เวลาเราอยากจะทำอะไรตามความอยากนี่เหมือนกับการไปเสพยาเสพติดพออยากได้อะไรแล้วมันจะไม่ได้พอได้มาเท่าไหร่มันจะไม่พอได้มาแล้วมันอยากจะได้อีกแล้วเวลาไม่ได้มันก็จะเสียใจและเวลาได้มาแล้วเสียไปก็จะเสียใจอีกนั้นเป็นการไปหาความทุกข์ต้องไม่มีอะไรต้องไม่ไปหาอะไรไม่ต้องมีอะไร ให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยที่ พ, พระเจ้าบอกอันนี้บานังปงัลมังศุญยังคำว่าศุนก็คือไม่มีอะไรการไม่มีอะไรนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนิบบานังปัลมังสุขขังสุขขังเพราะว่านิบบานังปงัลมังศุญยังเพราะนิพพานไม่มีอะไร มีแต่ความว่างมีแต่ความศูนย์ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิดนสะไม่มีร่างกายการไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นการมีความสุขอย่างยิ่งถ้ามีแล้วมันจะทุกข์เพราะสิ่งที่มีมันจะต้องเสื่อมมีจะต้องมีวันหมดจะต้องมีวันพัดภาคจากกันนั่นเองยันอย่าไปมีอะไร อยากไปอยากได้อะไรนี่คือการสอนใจหลังจากที่ได้ทําใจให้สงบแล้วว่าอยู่กับความสงบดีกว่าดีกว่าอยู่กับความอยากพออยู่กับความอยากแล้วจะพาความทุกข์มาถ้าอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างจะไม่มีความทุกข์มาจะมีแต่ความสุขนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเจารู้ แล้วก็นำมาสั่งสอนให้แก่พวกเราทรงสอนอยู่ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันหลังจากวันที่ได้ตัดสรตวแล้วอายุยี่สิบเก้าสามสิบห้าบวชอายุยี่สิบเก้าศึกษาปฏิบัติหกปีบรรดุในอายุสามสิบห้าจากนั้นก็สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายเช่น สั่งสอนคาราวาดญาติโยมในตอนบ่ายสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรภิกษุณีในยามค่ำสั่งสอนเทวดาในยามดึกแล้วตอนเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตก็เล่งยามดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษสั่งสอน45ปีนี่คือกิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธกิจมีห้าข้อข้อที่ห้าก็คือบินทบาทโปรดสัตว์การบินทบาทก็ทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ทาบุญถ้าไม่มีพ้ามาบินทบาทก็ไม่ได้ทำบุญกันเ่ามีพ้ามาบินทบาทก็ได้ทำบุญได้เสียสละได้แบ่งปันข้าวของต่างๆที่มีพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ ไห้ไปก็ไม่เดือดร้อนอะไร <Yeah. S 1> เพราะการทำบุญนี้สำคัญเพราะถ้ายัางต้องไปเกิดต่อไปมันจะได้เกิดดี <Yeah. S 1> ทำบุญแล้วมันจะได้ไปเกิดสวรรค์ไปสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะรวยกว่าเก่า <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้ทำบุญก็จะเท่าเก่า <Yeah. S 1> ตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ <Yeah. S 1> ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้กรรมก่อนไปเกิดในอบายก่อนฉะนั้นการไปโปรดสัตว์นี้การบินทบาทของพระนี้ทำประโยชน์สองส่วนประโยชน์ของตนเองคือได้อาหารมารับประทานแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำบุญเพราะถ้าจะรอให้มาวัดนี้มันมาไม่ได้มันไม่สะดวกเพราว่าต้องไป ทำมาหากินกันตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องเตรียมตัวออกไปทำมาหากินกันก็จะไม่มี เ, มเวลามาทำบุญกันแต่ถ้ามีพาไปโปรดถึงบ้านเนี่ยเขาเรียกเขาโปรดเนี่ยไปเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรกันเราจะได้มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเวลาตายไปจะได้ไปไปเป็นเศรษฐีกันเศรษฐีบุญ มีทรัพย์ภายในไปก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์อย่างสบายเมเวลาเราไปท่องเที่ยวถ้ามีเงินก็อยู่โรงแรมหรูหรือ ห, หลาหลาถ้าไม่มีเงินก็อาจจะไปขอวัดอยู่กันะพวกทัววัดทั้งหลายพวงนี้เงินน้อยไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมก็เลยต้องไปนอนวัดกันแล้วก็ไปทําบุญที่วัดกันะ พวกที่เขามีบุญเยอะตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดากันพวกที่ไม่ได้ทําบุญก็ไปเป็นขอทานกันไปขอรอรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเราวันนี้เดี๋ยวเราทําบุญเสร็จเราก็กวดน้ําไปอุทิศบุญไปพวกที่เขาไม่มีบุญเขาก็รอรับไปเพราะขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญอะจะไม่มีพระมาบิณฑบาต ก็เลยไม่ได้ทำบุญก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำบุญเนี่ยการบินทบายของพระนี่พระุทเธเจ้าถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของนักบวชไม่ให้ขาดเลยท่านสอนตั้งแต่วันแรกเลยวันที่บวชเสร็จปัท่านก็ บ, บอกว่าบินทบายไปจนวันตายนะอันนี้เป็นหน้าที่ของเธอเป็นอาชีพที่ดีที่สุดสาหรับพระ การเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยผู้ที่เขาให้เขาก็จะได้ไปสวรรค์กันเขาจะได้มีบุญติดตัวกันไปถ้าไม่ไปบิณฑบาตเขาก็จะไม่มีโอกาสทำบุญถ้าจะมีก็เฉพาะวันพระวันที่เขาว่างจากภารกิจงานงานเขาก็จะทำไม่ได้มากเหมือนกับที่เขาได้ ทำทุกวันอันนี้พระพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจสาคัญกิจพุทธกิจข้อที่ห้าก็คือการบินทบาตโปรดสัตว์ส่วนกิจอีกสี่ข้อนี้ก็คือโปรดสัตว์ด้วยการให้ธรรมะสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้ามีให้แต่ให้อย่างเดียวไม่ได้คิดขอผลตอบแทนไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรต่าง ให้ฟรีฟรธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้ดับทุกได้แต่สิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองดับความทุกข์ไม่ได้กลับจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นพอใครมีทรัพย์แล้วต้องทุกข์กว่ามันแลนะพอไม่มีก็ไม่ต้องทุกข์กว่มัน พอมีก็นองทุกข์ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเวลาคนมาขอยืมมาขอนี่จะพูดกับเขาอย่างไรจะปฏิเสธเขาอย่างไรมันกลายเป็นความทุกข์ไปหมดถ้าปฏิเสธเขาไปก็เขาก็จะโกรธเราก็จะเสียมิตรเสียเพื่อนไปเมื่อก่อนไม่มีไม่มีทรัพย์เป็นมิตรกันดีเป็นเพื่อนกันดีพอมีทรัพย์ขึ้นมาปั๊บกลายเป็นศัตรูกันไม่ใช่แล้ว 네กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาการมีทรัพย์ถ้ามองดีๆนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขไม่มีทรัพย์จะดีกว่าสบายใจถ้าเราจะได้รู้ว่าเพื่อนแท้เป็นใครกันถ้ามีทรัพย์เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนแท้เป็นใครเวลาไม่มีทรัพย์ใครเป็นเพื่อนเราก็ถือว่านั่นแหละเพื่อนแท้ um. เวลามีทรัพย์นี่เพื่อนไม่รู้มาจากไห yes, นเต็มไปหมดเลย ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเพื่อนแท้เพื่อนเพื่อนปลอมนะนี่คือ ส, สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นชี่งต้ต่างกับพวกเราพวกเราเห็นว่าต้องมีอะไรเยอะๆถึงจะมีความสุขกันต้องมีาลาภยศสเสริญต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสกันเยอะๆต้องมีร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวนานอยู่ไปแบบไม่ตาย แต่มันเป็นไปได้ที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงมีเกิดก็ต้องมีดับนะเวลามันลงเวลามันดับนะั่นเป็นเวลาที่ร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันพอเราไปคิดว่ามันเป็นความสุขนะเราหากันแทบเป็นแทบตายแล้วในที่สุดมันก็มาทําให้เราทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากมันไปพระพุทธเจ้าจถึงบอกว่าอย่ามีอะไระ ให้อยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีใจนี้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ร่างกายมันจะโอดอยากคัดจนข้างมันตายเพราะความโอดอยากก็ให้มันตายไปไม่เป็นไรใจยังสุขอยู่ใจสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้จักทําให้มันไม่มีความอยากรู้จักให้มันหยุดคิดไปในทางความอยากแล้วมันจะไม่ต้องมีอะไร มันมีความสงบหล่อเลี้ยงจิตใจความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ที่ได้ความสงบแล้วไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขใจ แทนการสร้างความทุกข์ใจที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้ทุกวันนี้เราสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเองด้วยความหลงคิดว่าการมีลาบยศเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสมีตาหูจมูกลิ้นกายจะทําให้เรามีความสุขกันแต่มันเป็นการสร้างความทุกข์เพราะเวลามีมันก็ดีแต่เวลามันไม่มีมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นันอยา่าไปมีมันดีกว่าแล้วมามีความสงบถ้ามีความสงบแล้วมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรเพราะว่ามันไม่สงบเพราะมันยังอยากยังคิดอยากอยู่ต้องมาหยุ ด, ik, ค, ยยดความคิดคือหยุดความอยากให้ได้แต่หยุดความคิดหยุดความอยากได้้วมันไม่ต้องมีอะไรไม่อยากมีอะไรไม่ต้องมีอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็มีความสุขไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความสุขก็ไม่ต้องการใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนดังนั้นก็ขอให้เราทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาคิดในทางที่จะทาให้เราเกิดความสุขนะก็คือคิดว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องมีอะไร เรามีอะไรที่ไม่จำเป็นก็ยกให้คนอื่นไปเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันอยู่ดีจากกันตอนที่เราพร้อมดีกว่าถ้าเรายินดีให้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยินดีเวลาจากกันเราจะทุกข์เก็บเอาไว้แต่เฉพาะของจำเป็นเท่านั้นมีเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอมีอาหารกินวัละมือ้อมีที่อยู่ หลบแดดหลบฝนได้มีสามสิบาทรักษาทุกโลรคก็อออพอแล้วมีท่นี้ไม่ต้องไปอะไรกับมันจะรักษาสามแสนมันก็ตายเหมือนกันถึงเวลาสามสิบบาทก็ตายสามแสนก็ตายถ้าถึงเวลายังไม่ตาย 3, 000, สามแสนสามแสนก็หายสามสิบาทก็หายเหมือนกันเออยังไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการดูแลรักษาร่างกายมากจนเกินไป พอมีอยู been, been, we die, we ience, ่มียาพอกินได้ก็กินไปถ้ามันหายมันก็หายถ้ามันไม่หายมันก็ตายให้คิดอย่างนี้แล้วจะไม่ต้องไปวุ่นวายให้มาวุ่นวายกับการหยุดความคิดดีกว่าหยุดความคิดหยุดความอยากให้มาควบคุมความคิดควบคุมความอยากด้วยพุทโธพุทโธด้วยการคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีได้มาแล้วจะทุกข์ ไม่มีแล้วกลับจะสบายกว่ามีนะมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะสบายมีความสุขไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดก็การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมห um ังทิพเปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพรุโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีริตสะนิจังวุธาปจายโนยัตตโรธรรมวัทานติ อายุวันูสุขังภาลาังใคยังไม่ได้ถวายข้าวของเน้ออยากจะได้หนังสือซีดีก็เข้ามาเอาได้นะ มาจากเขานี่ Grandma: Jeez> เป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้แล้วเหมือนทำบุญ yeah, กับผ้าละหันทำบุญกับพ่อทำบุญกับแม่ทำบุญกับผ้าลันเป็นไงจำไม่ได้เมื่อก i̇şte ี้นี้นกอกแล้วสบายดีแล้วหายหน้าไปหลายปีหาาหา อันนี้อยู่ที่ไหนนะฮะต้อยอาจารย์นั่งรไปด้วยป่ ะ, อ ย, อ, ะอยู่ที่นี่นะยาฝากควาคิดเห็มาเออได้เออฝักขาโดนลูงพอดีอดออยาว่าจะมาด้วยขาเขาเออไม่เป็นไรก็ฝากความคิดถหงกลับไปด้วยนะ เมืกี้ำไม่ได้เลยไม่ได้ทักทายวันนี้จาไม่ค่อยได้ไม่ได้คุยนานอ่เอ่อั้งไว้หนังสือซีดีก็หยิบได้เนี่ยถต้องการนี่มนตรงนี้ น, นี่ตรงนี้วางไว้บนท่านทำมาใกล้ๆหน่ยอยอ อยากได้ต้องซืออะไรก็หยิบไปเสียดีครับหยิบไปได้ จะย้ายกลับมานะเน่ลาที่ อ, อ, าอ่ า, ออาอก็รอไปก่อนนะโอเคที่คุณย่าท่านจะมาด้วยวันนี้พอดีขาเจ็บก็เลยยังมันมา อ่าไม่เป็นไรละเพิ่งจะกลับจากุูเก็ตต า, ากใจมาก็พอละตายไม่ต้องมาก็ได้ตากใจถึงก็ถึงแล้วแล้วว่าจะมาถวายแล้วไปเลยนะ <laughs> โดนนั่งยกหนึก่อนอยังทําอยู่ที่บริษัทับเดิมอยู่อะอะไรช่วงที่ไม่ค่อยได้มาไปต่างไปต่างเทศบ่อยครับ างานมันก็เลยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพิมพมาเท่าไหร่ไปทํางานต่างประเทศเลยครับผมช่วงรถตูต้นิวโมเดลมันออกอออะต้องไปฝึกเลยครับต้องไปดูจ่ายงานด้วยครับอมี่ก็วันดีวันเกิดย่อยเขาเก็เลยมีโอกาสไปพิมพ์มาก็ เ, เ, เ, เ, เยลยไปจบการเจรณ์นะ วันเกิดแล้ววันนี้อ่าอายุมัน่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขแขวงาาดงปลอดภยัยเอาหนังสือซีดีไปก็ได้นะหยุไปเอาไปฝากยาหน่อยก็ได้อเอาซีดีแผ่นนี้ไปด้วยจะได้มีรูปเราให้แกดูหน่อย ห <c oughs> เอาอยาไว้ดีกว่านะวางไว้า <c oughs> ยาถวายได้เออเอาวางไวเ้เฉย มันจากที่ไหนมันจากกรุงเทพแต่มาบ้ามาค่ะแลอวาวกทุกคนต่ว่าบันทีไม่ทันไลฟ์ก็ฟังตอบแทนกันแต่ว่าน้องนี่เขาเพิ่งมาครั้งแรกวต่ครอบครัีแต่ว่าน้องเขาถามผ้าจารยอยู่ค่ะทางไลฟ์จิ้มหยิบหนังสือ CD ดีไปได้นะ ยาที่ใชใช่คะพวกขมิชันลาก็มีผ้าหลายรูปท่านก็คงจะใช้กันนะตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วหนูตอนนี้เหลือสอง้ยจตา้่ง้สี่สิบแม็กซเลยคนที่ เขาเข้ามานี่เขาจะรู้ว่าเ่ามีคน เ, นเข้ามาชมเท่าไหร่เห็นกันแต่เขาจะเห็นจํานวนคนที่เข้าถึงเปล่าหรือไม่เห็นไหมอันนั้นไม่เห็นนะเห็นแต่คนที่เข้ามาชมสดกันพร้อมๆกันเนี่ยเขาจะแจ้งขึ้นจอเลยอืมอวันนี้เข้าถึงเท่าไหร่นะห้าเหมื่นสองห้าหมื่นวันนี้น้อยหนีไปไหนกูหนีเที่ยว <c oughs> <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมขออนาตถามอาจารย์นะอันนี้สงสจากการที่ถ้าคนหนึงใส่บาตรทานบ่อยๆขณะที่คนหนึ่งอาจจะมาทําสันนิทานเป็นช่วงๆแต่อาจจะจัดมาเป็นชุดใหญ่ๆอะไรมานี่แตกต่างกันมากไหมคะความจริงก็ไม่แตกตา่างมันอยู่ที่ปั๊มจะปริมาณของเงินทองที่เราเสียสละไป ถ้าเราเสียสละมากอาจจะทำครั้งเดียวหมดเลยก็ได้หมดหน้าตักเลยหนึเดียวอหรือจะแบ่ง ท, ทําทีละร้อยละสิบร้อยละอะไรไปอันนี้ก็อ น, นิสงส์มันก็อยู่ที่ปริมาณของเข้าของเงินทองที่เราเสียสละไปอันนี้มันจะทําให้เกิดความสุขใจแต่การที่ทําทุกวันมันก็ดีมันเหมือนกับว่ามันได้มีความสุขใจหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆ แล้วเรานานๆ ท, ทําทีช่วงระหว่างที่เราไม่ได้ทํานิจใจเราก็จะวุ่นวายหิวโหวยได้แล้วนานๆพอมา ท, ทําทีมันก็อาจจะอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งดังนั้นก็ถ้าทำได้ทุกวันมันจะดีตรงที่ว่ามันจะทําให้มันติดเป็นนิสัยและจะทําให้ทําง่ายพอเราทําอะไรติดเป็นนิสัยแล้วมันจะชอบทําแล้วมันจะง่าย แต่เวลานานๆทําทีนี้มันต้องมีโอกาสต้องมีเหตุผลจริงๆถึงจะทําไม่งั้นมันก็จะถูกกิเลสคอยหลอกคอยเล่าว่าอย่าเพิ่งไปทําเลยอย่างงู้นอย่างนี้ความเสียดายความโลภนี่มันยังจะอะมีมากอยู่แต่ถ้าเราทําทุกวันนี้เราก็คอยกํำลาบความโลภความความตณีชให้มันน้อยลงไปยันทําถ้าทําได้ทุกวันก็ดี สมมติว่าถ้าเราไม่มีพระใส่บาทเราอยากจะทำทั้งวันแล้วก็แบ่งเงินที่เราจะทำบุญนี้ใส่กระปุกไว้ก็ได้นนี่เป็นเงินทำบุญเราอย่าไปแตะมันแล้วพอมีโอกาสไปวัดหรือไม่โอกาสจะทำบุญทั้งทีก็เอาเงินก้อนนี้มาทำก็ได้ฮะแม้แย่บางทีเวลาถึงโอกาสจะทาเงินหมดก็มี ทีเงินไม่พอใช้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ซื้อของซื้ออะไรไปพอถึงเวลาอยากจะทําบุญขึ้นมาก็ไม่มีเงินไม่มีก็น้อยไม่ได้ทําเท่าที่ควรจะทํอย่างนี้ก็ลองลองทําทุกวันดูยอดกระปุกไปะวันละสิบบาทยี่สิบบาทอะไรทําไปเดือนมันก็หลายร้อยละแล้ ว, ลวสมมุติว่าเราใส่บาตรตอนเช้าเราจะต้องคิดด้วยนะว่าพระที่มสาสลบาตร นนคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้มันอันนั้นมันคนละส่วนกันถ้าเป็นเนื้อนาบุญมันก็ดีตรงที่ว่าเราได้สนับสนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญนุ่งเรือ ง, งต่อไปถ้าไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญก็ถือว่าเราให้ขอทานไปช่วยอย่างชีพช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปให้คิดไปในทางที่ดีคือแผ่เมตตาไปว่าสัตวเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุข จากการกระทำของเราเป็นการใส่บาตรของเราทำให้เขามีความสุขเราก็ได้แผ่เมตตาเราได้ประโยชน์คือเราได้มีจิตที่เมตตาเราไม่ต้องการอะไรจากเขาอยู่แล้วส่วนเขาจะไปทำดีทำชั่วนั้นเป็นก็เรื่องของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะทำให้เราทาได้ทำบุญทุกวันถ้าเราไม่คิดเราจะทำแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจแทนที่จะมีความสุขกลับไม่สบายใจ ก็เราไปยึดติดกับคําว่าต้องเป็นเนื้อนาบุญความจริงสุนัขเรายังทําได้ไม่ใช่หรอสุนัขเราก็เลี้ยงเหมือนแมวเราก็เลี้ยงเหมือนแล้วทําไมคนที่เขามาบวชเขาก็เขาอาจจะไม่เป็นเนื้อนาบุญแต่เขาก็อาจจะยังเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่<ม>ก็ทําไปคนที่มาบวชมันก็มีหลายแบบหลายรูปคือถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีเราไม่ทํากับเขาก็ได้ เราเลือกไปทํากับพระที่ดีก็ได้เช่นอย่างที่บอกถ้คิดว่าพระที่มาเอาเงินไปกินเหล้าเมา อ, อย่างนี้เราก็อย่าไปถวายเงินอย่าไปให้อาหารท่านจะได้สลาสิกขาไปได้ถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูเราเอาเงินที่เราจะใส่บาตรกับพระดีแล้วก็ใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาเรามีโอกาสไปกราบพระที่ดีแล้วก็ไปทําบุญกับพระที่ดีต่อไป แต่เราควรจะทำทุกวันไม่งั้นมันจะเป็นข้ออ้างให้เราไม่อยากจะทำแล้วมันจะทำให้ทำยากเวลาจะทำบุญมันจะเสียดายงานทำที่มันจะเสียดายเหนถ้าอยากจะใส่บาตรก็ใส่ไปถ้าคิดว่าเมพระที่คิดว่าท่านถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นเนื้อนาบุญท่านอาจจะเป็นอ่เป็นตะก้าเป็นก้าข้าวยังไม่เป็นต้นข้าวก็ก็มันต้อง ข้าวมันก็ต้องมาจากกล้าก่อนใช่ไหมต้องหว่านปลูกก้าก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกเป็นต้นข้าวต่อไปก็ถ้าท่านเป็นพระท่านอยู่ในศีลในธรรมก็ทําไปท่านก็ต้องพึ่งเราเป็นผู้เลี้ยงดูถาพรญาติโยม่อยเลือกแต่พระเนื้อนาบุญก็เดี๋ยวก็พระที่ไม่เนื้อนาบุญก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีพระหลายระดับ ก็ต้องไต่เต้าจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงอย่างน้อยก็ขอให้ท่านมีความเข่งขันในพระธรรมวินัยก็แล้วกันคือไม่ผิดกฎระเบียบรักษาศีลของพระให้ได้ส่วนจะปฏิบัติได้ปฏิบัติน้อยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง เราควรจะเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิทใหกายนั่งดีขึ้นเมื่อไหร่เป็นการเดินจงกรมก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาการจะนั่งสมาธิให้จิตสงบต้องมีสติเนี่ยเราควรที่จะสร้างสติให้มากๆก่อนถ้าเรานั่งแล้วมันไม่สงบก็ลุกขึ้นมาเดินเดินเดินไม่ว่าเราจะทําภารกิจอะไรก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการเดินจงกรมไปก็ได้ วเวลาทราทภารกิจเราก็ยังสามารถพูดโทรได้แล้วก็พูดโทรไปก็เป็นเหมือนกับการเดินจงกรมการเดินจงกรมนี้มีมีเป้าหมายอยู่สองอันคือหนึ่งผ่อนคลายอิเลีบุตรของร่างกายร่างกายถ้านั่งนานๆมันก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการเจริญสติเดินแล้วก็ให้บริกรรมพุดโธรพูดโธไปไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เป้าหมายสําคัญคือการเจริญสติสําหรับการปฏิบัตินีการเปลี่ยนระยาบทของร่างกายนี้มันเป็นเป้เปาหมายรองเปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็ดีเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่จําเป็นก็คือต้องเจริญสติเป็นหลักเพราะสตินี่แหละจะทําให้จิตรวมเป็นสมาธิได้จะให้รวมก็ต้องนั่งเพราะเวลาเดินนี่มันรวมไม่ได้รวมยากเวลาเดินจิตยังต้องทํางานอยู่ยังต้องควบคุมร่างกาย ต้องสั่งร่างกายให้เดินไปเดินมาอยู่ถ้าจะให้จิตหยุดการทำงานร่างกายก็ต้องอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆการนั่งถึงต้องเรียกว่านั่งสมาธิการเดินจงกรมเรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือเจริญปัญญาถ้าเราออกทางปัญญาได้แล้วเวลาเดินเราก็พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาเช่นร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ที่ให้พิจารณาอยู่บ่อยๆซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันย้ำใจเราให้ยอมรับความจริงใจเราถ้ายังไม่คิดบ่อยๆมันยังจะไม่ยอมรับความจริงถ้าคิดบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆว่าต้องตายนะต้องตายนะไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางอื่นถ้าย้ำสอนไปต่อไปมันจะทาให้เรายอมรับความจริงได้ว่า น, นี้ไม่พ้นความตาย ไม่ยอมรับความจริงมันก็จะไม่ฝืนมันไม่ต้านมันก็จะไม่กลัวความตายมันก็จะไม่ทุกข์กับความตายที่มันทุกข์เพราะมันที่มันกลัวเพราะมันฝืนมันยังไม่ยอมตายที่พิจารณานี้เพื่อให้ยอมรับความจริงว่าต้องตายต้องเจ็บต้องแก่พอมันยอมรับแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย มันจะยอมรับได้ก็ต้องคอยตอกย้ำ ม, มันอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองเนือพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่พิจารณาปั๊บมันจะลืมเนื่อมันจะอยากอยู่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาทันทีนี่คือถ้าเดินจงกรมก็สามารถพิจารณาได้แค่สามตัวเนี้แก่เจ็บตายเนี่ยคิดไปเรื่อยๆคิดไปจรทั่งมันยอมถ้ายังไม่ยอมก็ต้องคิดไปเรื่อยๆต้องย้ำ ม, มันไปเรื่อยๆ เหมือนตอกเสาเข็มเนี่ยตอกไปจนกว่ามันจะตอกไม่ลงนะย้ำมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันยอมรับมันไม่กลัวแก่เจ็บตายเมื่อไหร่นยถือว่าก็ใช้ได้ได้ผลแล้วถ้ายังกลัวอยู่ยังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายก็ต้องย้ำมันไปเรื่อยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจนกว่ามันจะยอมว่าเออต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วตอนนั้นมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็จะให้ทางบ้านแล้วนะ YouTube มีไหมวันนี้ไม่มีคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณจงซินีคนที่มีอารมณ์ร้อนโมโหง่ายจนติดเป็นนิสัยอาจเป็นไปได้ไหมว่าติดมิสัยอารมณ์ร้ายแต่อดีตชาติเพราะเขาควบคุมตัวเองไม่อยู่เวลาโมโหขึ้นมา ทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นผลจากที่เราได้เป็นมาในอดีตนั่นเองเราเคยเป็นอย่างไรมันก็เป็นต่อไปเพราะมันใจไม่ได้ตายเหมือนร่างกายใจก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจมันก็ปิดมามันเพียงแต่เหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นร่างกายก็ยังอันเดิมอยู่หน้าตาก็ยังเดิมอยู่ใจก็เหมือนกันใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่มีหน้าตา เหมือนเดิมก็คื อ, คอมีนิสัยใจคอเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่มาเปลี่ยนร่างกายท่านเองเพฉนั้นเขาถึงเรียกว่ามันเป็นบุญเป็นกรรมไงคือบุญก็คือนิสัยดีถ้าเราชอบทําบุญชอบใส่บาตชอบรักษาศีลชอบฟังเทศน์ฟังธรรมชอบเข้าวัดนี่เขาเรียกว่ามีบุญติดตัวมาถ้าชอบกินเหล้าเมายาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่มันก็เป็นบาปติดตัวมา คำ <c oughs> ถามจากคุณวิไลหนูชอบทาบุญใส่บาตร ท, ทากระถินผ้าป่าสร้างห้องน้ำวัดแต่ไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนชวนมาร่วมกันเป็นคนหลงบุญไหมคะไม่หรอกก็ต้องทำบุญไงทุกคนต้องทำบุญไปจนกว่าจะไม่มีเงินที่จะทำบุญถึงจะเรียกว่าไม่หลงถ้าไม่มีเงินแล้วไปหาเงินมาทำบุญนี้ถึงจะเรียกว่าหลงบุญ บุญนี up, ้เราทํากับเงินที่เรามีอยู่ที่เรามีเกินความจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้หรือเอาเงินที่จะไปเที่ยวเงินที่ไปใช้ตามความอยากนี่มาทําบุญเพื่อจะได้สกัดความอยากเพื่อจะได้ทําลายความอยากนี่คือหน้าที่ของการทําบุญก็คือหนึ่งทำลายความอยากที่เราจะเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆถ้าเราเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากมาทําบุญต่อไปเราก็จะไม่อยากไป ทำอะไรไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเพราะการทําบุญนี้มันได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสุขมากกว่าแล้วมันทําให้เราฝืนความอยากเที่ยวอยากใช้เงินตามความอยากได้เพรน้นถ้าเรามีเงินเราก็ควรจะเอาเงินมาทําในทางที่จะเป็นประโยชน์กับใจก็คือทําบุญอย่ า, าไปทําตามความอยากเพราะมันจะเป็นโทษกับใจทําตามความอยากแล้วมันอยากจะทําเพิ่มขึ้น อยากจะได้มากขึ้นอยากจะซื้อมากขึ้นอยากจะใช้มากขึ้นมันก็จะทำให้เราต้องไปวิ่งหาเงินมาทำตามความอยากกันแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทาบุญนี้มันก็จะไม่มีความอยากจะซื้อจะเที่ยวจะใช้อะไรตามความอยากพอไม่มีเงินมันก็อยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีเงินแล้วยังอยากไปหาเงินมาทาบุญนี้สแสดงว่าหลงละผิดเป้าหมายละ การทำบุญนี้ไม่ได้ให้เราไปหาเงินมาทำบุญเพราะเราการหาเงินมันก็ทำให้เราทุกข์มันเครียดการทำบุญนี้เพื่อให้เราสุขให้เราอยู่เฉยๆให้ได้เท่านั้นเองไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำทำบุญอย่างอื่นต่อเพราะยังมีบุญขั้นที่สองขั้นที่สามที่เรายัางต้องทำต่อไปก็พอเราทำบุญได้แล้วเราก็จะมารักษาสีนกันได้ถ้าทำบุญไม่ได้รักษาสินจะยากคนที่ไม่ชอบทำบุญนี้จะไม่ชอบรักษาศีล ก็อยากจะได้อะไรมากๆง่ายๆก็มักจะไปทําบาปกันแต่คนที่ทําบุญนี่จะไม่อยากจะไปทําบาปเพราะไม่อยากจะไปเบียดเบียนไม่สร้างไม่อยากจะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็จะรักษาศีลได้ยั้นถ้าเราหมดเงินหมดทองแล้วไม่มีเงินไปทําบุญแล้วก็มารักษาศีลรักษาศีลห้าก่อนพอรักษาศีลห้าได้ก็ขยับไปรักษาศีลแปด ถ้ารักษาสินแปได้ก็จะขึ้นไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นภาวนาได้ถ้าถือศินแปดได้ก็จะมีเวลาว่างไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมได้แต่ยังถือสินแปดไม่ได้มันยังไปดูหนังฟังเพลงยังไปเที่ยวไปเล่นได้อยู่มันก็จะไม่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าอยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบก็นั่งถือสินแปดกันเพนพอเรา เราเข้าสู่ขั้นการภาวนาถือศีลแปดแล้วเรื่องทาบุญเราก็ไม่ต้องทำก็ได้หรือถ้ายัางมียาทำก็ทำแบบไม่มารบกวนเวลาโอนเงินเข้าบัญชีไปหรือฝากเงินไปทาบุญกับใครเขาไปแต่เราอย่าไปเองเพราะเราเอาเวลามามาปฏิบัติทำดีกว่ามาภาวนาดีกว่าแต่เราสู้เข้าสู่ขั้นการภาวนาเข้าสู่ขั้นการปฏิบัติแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีการทาบุญ อย่าให้เสียเวลาทำบุญแบบไม่เสียเวลาโอนเงินไปเขียนเช็คไปถ้ายังมีถ้าอยากจะทำก็ทำไปไม่ต้องไปไกลหรือทำกับที่เราอยู่ก็ได้ถ้าอยู่วัดก็ทำบุญกับที่วัดไปไม่ต้องถ่อไปอีกวัดหนึ่งไปทำอีกที่หนึ่งอันนั้นมันเป็นการการการหลีกเลี่ยงสิลแปดการออกไปหารูปเสียงกลิก่นรด ที่ศิ้นแปดนี่พยายามที่จะกั้นเอาไว้เพื่อให้เราได้มีเวลามาทําใจให้สงบกันเพราะถ้าเราออกไปทําบุญเดี๋ยวก็ไปเห็นหนูน่นเห็นนี่ใจมันก็ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโดยไม่รู้สึกตัวแล้วพอกลับมานั่งวัดจะมานั่งสมาธิใจมันก็ยังคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้ไปเสพมาอยู่นะก็จะทําทให้นั่งสมาธิยากทําใจให้สงบยาก ถ้าเราจะอาภาวนากันแบบเป็นเป็นหลักเป็นเป็นงานหลักแล้วเราก็เราต้องงานบุญนี้ก็ต้องเป็นงานรองไปหรือแขวนไว้ก่อนก็ได้ไปรอให้งานปฏิบัติเราเสร็จก่อนแล้วเข้าไปทําบุญที่หลังก็ได้อย่างช่วงที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญท่านก็ไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนท่านก็รักษาศีลกับภาวนาไปแต่พอท่านบรรลุแล้วเสร็จงานนี้แล้วท่านก็มาทําบุญใหม่ มาเอาธรรมะมาแจกจ่ายต่อไปอีกทีนึ่งทำบุญดับนี้ชนะการทําบุญทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงดีกว่าการให้เงินทองให้เงินทองก็ไปดับความทุกข์ความอดอยากขาดแคลนทางร่างกายแต่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ต้องให้ธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วจะดับความทุกข์ใจได้อก็ต่อไป คุณโสพาางงลขอรบกวนอาจารย์อธิบายเรื่องสติสมาธิปัญญาการปฏิบัติเพื่อฝึกและมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรครับก็พูดมาตั้งชั่วโมงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสติสมาธิปัญญาเท่นั้นแห ล, ละลองไปฟังดูสินะคำถามจากคุณสารัดการเจริญสติเพียงอย่างเดียวเห็นความคิดรู้ทันความคิดนี่เป็นบุญตรงไหนครับ ยังไม่เป็นบุญต้องหยุดความคิดได้ถึงจะเป็นบุญถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้มันก็ยังไม่มีความสงบเมื่อยังไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขความสุขใจก็เรียวกว่าบุญความสุขใจนี้ก็มีสามระดับสุขใจความสุขใจที่เกิดจากการให้การเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปเราก็จะได้ความสงบใจ ในระดับหนึ่งมีความสุขใจในระดับหนึ่งการไม่ทำบาปก็จะทำให้ใจเราสงบเอกระดับหนึ่งการนั่งสมาธิการหยุดความคิดใจก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปความสุขใจนี่เรียกว่าบุญคำถามจากคุณเอ็นสุขเพื่อนชุดเพื่อนชวนไปสี่สังเวทบอกว่าจะได้บุญมากแต่เคยฟังพระอาจารย์บอกว่าให้ปฏิบัติตามพระ ทำคําสอนดีกว่าจะปฏิเสธเขาอย่างไรขอพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะก็ไม่ต้องปฏิเสธถ้าอยากจะไปก็ไปถ้าไม่ไปก็บอกก็ว่าไม่ไปไม่ต้องไปเห็นยังต้องไปเราอยากจะไปมันก็เลยหาทางปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่อยากไปแล้วอย่างมันใครเอาช่างมาลากมันก็ไม่ไปต้องถามจากคุณบี การบริจา克拉่างกายเพื่อการศึกษาของแพทย์ถือเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แบบนี้ได้บุญตามส่งไปให้ครบภูมิปีขึ้นไหมคะถ้าจะให้ต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายถ้าให้ตอนตายแล้วไม่ได้บุญะถ้าอยากจะบริจาค ก, ก็เอาไปตอนนี้เลยเนี่ยยกให้ต <c oughs> <c oughs> ายอ้าวมันถึงจะให้จริงๆไงไปให้ตอนที่มันไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลามันตายมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันเป็นของสับเปลือไปแล้ว อ่า yeah. แต่ตอนต้องให้ตอนที่ยังเป็นของเราอยู่เหมือนเงินทองตอนเนี้ยถ้าอยากจะให้ให้ตอนนี้สิไปให้ตอนที่ตายแล้วมันก็ไม่เหลืเป็นของเราแล้วออยากจะให้ต้องให้ตอนนี้ถึงจะได้บุญถ้าอยากจะได้บุญะแต่ถ้าให้ตอนที่ตายไปแล้วไม่ได้บุญแต่คนที่เขารับร่างกายไปเขาก็ยังได้ประโยชน์อยู่ถ้าตับตายยังใช้ได้เขาก็เอาไปเปลี่ยนให้กับคนที่ต้องการ เขาคนที่รับก็จะได้ประโยชน์แต่คนให้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้ความสุขใจก็อยากจะได้ความสุขใจต้องมาให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นลูกชายตายเสียแม่บริาจากตายให้ลูกไปครึ่งอันอย่างนี้พอให้แล้วแม่จะรู้สึกไงสุขไหมแต่เวลาแม่ตายไปแล้วเขาเอาตไตไปนี่แม่จะรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมความรู้สึกก็คือบุญความสุขใจนี่ก็คือบุญ เนี่ถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่มันยังเป็นของเราตอนที่เรายังเป็นคนสั่งให้เป็นคนที่รู้แล้วเป็นคนที่สั่งให้ทำเนี่ยแต่ถ้าตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วเราไม่ได้สั่งให้เขาทํานะคําถามจากคุณกิติเพื่อนฝากถามมาว่าขอคิดถูกไหมที่ทุกวันนี้ขอทําบุญใส่บาตรทุกวันโดยไม่เลือกที่สุกร์สงศปฏิบัติชอบหรือไม่ชอบแต่เพื่อให้ศาสนาพุ้งยังอยู่ ก็ถูกโดยการทำบุญใส่บาตรนี่ก็เป็นการสนับสนุนให้พระภิกษุมีอาหารมีปัจจัยสี่จะได้ศึกษาจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วจะได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้เอาธรรมมาสั่งสอนการมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการสั่งสอนก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานคําถามจากคุณวรพัฒ ผมเคยได้ยินมาว่าพ่อแม่ครัวอาจารย์หลายรูปยอมรับสังขารเพื่อที่จะยืดชีวิตอายุสังขารให้กับอีกชีวิตหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าจะท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อไปยืดชีวิตของคนอื่นคําถามจากคุณโชติการเวลาทําบุญตัก บ, บาตแต่ลืมกรวดน้ําเราจะได้บุญไหมคะคือเราได้บุญจากการที่เราทําบุญเนี่ย แต่บุญที่เราจะได้จากการอุทิศบุญเราจะไม่ได้เพราะเราไม่แบ่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญอีกชั้นหนึ่งเราก็ต้องอุทิศบุญที่เราได้มานี้แบ่งให้กับผู้ที่เขารอรับอยู่แล้วก็เหมือนทำบุญสองต่อไงทาบุญได้บุญมาก็เอาบุญนี้มาให้กับคนอีกคนหนึ่งคนที่รอรับก็คือคนที่ไม่สามารถทาบุญเองได้ก็คือคนที่ตายไปแล้ว คนที่ตายไปแล้วนี่ไม่สามารถทำบุญได้ถ้าไม่มีบุญก็ต้องมารอรับบุญของคนที่ทำบุญพอเราแบกบุญให้เขาเราก็ได้บุญอีกอีกอันหนึ่งเป็นสองเป็นสองบุญบุญที่เกิดจากการทําทานแล้วก็บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญได้สองต่อถ้าไม่อุทิศบุญไม่กวนไม่ส่งไปก็จะได้ต่อเดียวคำถามจากคุณกรงจิน ผมขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนํากุตตโลบายในการบอกพระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องจากท่านทุกใจเรื่องการจัดการความโกรธของท่านเพรท่านเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาท่านโกรธแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้บังจระบายโดยวิธีทําลายสิ่งของของตนเองทุกๆครั้ง <c oughs> ผมขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนํากุสโลบายในการบอกพระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องจากท่านทุกใจความโกรธของท่าน เราเป็นลูกศิษย์เราจะไปอ่าสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็คงจะมันคงจะไม่ใช่นอกจากท่านมาขอเป็นลูกศิษย์เราถ้าท่าน ม, ม, มาขอเป็นลูกศิษย์เราก็าอย่าไปสั่งสอนท่านนแล้วก่อนที่จะไปสั่งสอนท่านก็สั่งสอนเราให้ได้ก่อนเราระงับความโกรธของเราได้หรื อ, อยังถ้าเรายาางรังระงับความโกรธเราไม่ได้ก็อย่าไปสอนให้คนอาาื่นก็าระงับความโกรธเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นแม่ปูสอนลูกปู่ะ สอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ ก, ก็เดินเฉยไปเฉยมาสอนให้คนอื่นระงรับความโกรธตัวเองก็เกิดเกิดความโกรธขึ้นมาดันั้นเรื่องการที่จะไปสั่งสอนผู้หลักผู้ใหญ่นี้มันไม่ใช่ฐานะของผู้น้อยนอกจากผู้ใหญ่เขาจะมาขอลดฐานะมาเป็นผู้รับการศึกษาจากเราเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีพระเทระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระโปทิละเนี่ย พระพุทธเจ้าเจอพระโพธิลทธิไลก็พูดว่าเป็นไบลานเปล่าคือมีความรู้ท่วมหัวแต่ดับความทุกข์ไม่ได้คือไม่ปฏิบัติเอาแต่ท่องจําคําสอนของพระพุทธเจ้าจําได้หมดแต่ไม่ไปปฏิบัติความโลภโกรธหลงก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจพอเจอธิไลก็บอกเธอเป็นไบลานเปล่ามีความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เป็น ก็เลยทำให้เกิดความคิดว่าจะต้องไปปฏิบัติก็เลยไปหาสำนักที่มีแต่พระอารหันต์ไปกับพระเทระหัวหน้าท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถสอนได้เพราะท่านเป็นพระเทระท่านมีภาษามากกว่าผมผมเป็นผู้น้อยกว่าท่านต้องไปหาพระรูปอื่นกันในวัดก็ไม่มีพระรูปไหนที่มีมีภาษาเท่าท่านหรือมากกว่าท่านก็ทุกองค์ก็ปฏิเสธไป ก็ไปถึงสัมมาเนนสมมาเนนก็เป็นพระอราหันต์เหมือนกันท่านก็อยากให้สมมาเนนสอนตอนต้นสมมาเนนก็ไม่กล้าสอนเหมือนกันบอกว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่พระเทระที่เป็นเจ้าสํานักท่านก็บอกว่าสมมาเนนเธอไม่สมเคาะ์ท่านเท่หน่อยเถอะอ่ะสมมาเนนก็เลยยอมรับเอาพระเทระที่มีพรรษาหลายสิบพรษานี้ไปสอนไปเป็นลูกศิษย์แต่ก่อนจะรู้ว่าเป็นลูกศิษย์หรือไม่ก็ต้องเอาไปใช้งานก่อน ไม่ใช่ปา ก, กว่าเป็นลูกศิษย์แต่พอใช้งานไม่ทําตามนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็เลยเอาไปใช้ล้างกระโถนล้างบาตเอาไปกวาดถูกุฏิสั่งให้ลุยลงไปในน้ำให้ไปเอาข้าวเอาของในน้ำพอลงไปครึ่งทางตัวเปียกก็เปลี่ยนใจไม่เอาแล้วไม่ต้องเอาแล้วก็ดูว่าจะเชื่อฟังหรือไม่เรอจะมาเน้นทดสอบดูแล้วว่า เห็นว่าท่านยอมเป็นลูกศิษย์จริงๆธรรมนเนจรก็เลยสั่งสอนพอสั่งสอนไม่ได้ไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นการที่เราจะสอนใครเราต้องรู้ก่อนว่าเขาจะยอมเป็นลูกศิษย์เราหรือเปล่าไม่ใช่อยากจะไปสอนใครก็แหลกเลยเพราะตัวเองอยากจะเป็นอาจารย์นแต่คนที่ก็ฟังนี่เราไม่รู้ว่าเขาอยากจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีไม่ดีเดี๋ยวไปทําให้เขากโกรธก็ได้ แล้อย่าไปสั่งสอนค น, คนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับเรานอกจากเขาขอลดตัวของเขาลงมาเป็นลูกศิษย์เราเท่านั้นเน่ะเราถึงจะสั่งจะถึงจะสอนเขาได้คาถามจากคุณปัทมาพรถ้านั่งสมาธิไปและฟังธรรมไปจะได้สมาธิไหมคะหรือควรทาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าอ๋อถ้านั่งสมาตังฟังธรรมก็อย่านั่งสมาธิก็ อ, อย่าไปพุทธโธอย่าไปดูลมหายใจ ให้เอาฟังเสียงธรรมเป็นตัวแทนพุทโธไปตัวแทนลมหายใจไปแล้วจะได้สมาธิหรือได้ปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้ทั้งสองอย่างถ้าได้ปัญญาก็จะได้ทั้งสองอย่างได้ปัญญาก็จะได้สมาธิด้วยถ้าไม่ได้ปัญญาอย่างน้อยก็จะได้สมาธิคือใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจฟังอยู่ไปเรื่อยเสียงธรรมก็จะกล่องใจให้สงบได้คำถามจากคุณน้อง หากเงินทำบุญทุกบาทมาจากสามีแต่สามีไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาเลยสามีจะได้บุญไหมเจ้าพักเขาให้เงินเราในการดูแลบ้านและครอบครัวแต่เราแบ่งมาทำบุญด้วยเจ้าพักมันก็ขึ้นอยู่ว่าเงินก้อนนั้นเป็นของเราหรือเป็นของเขาหนึ่งสองเขามีเจตนาให้เราไปใช้ในทางไหนหรือว่าเขามีเจตนาให้เราเอามาใช้ในเรื่องการใช้ใจ่ายใช้สอย ถ้าเราไปใช้ในการทำบุญก็ผิดเจตนาของเขาตัวเขาไม่ได้บุญแน่นอนเพราะเขาไม่มีเจตนาที่จะให้เอาไปทำบุญแต่ถ้าเราเอาไปทำบุญเราก็อาจจะทำในลักษณะว่าไปยกักยอกทรัพย์ของเขามาทำบุญก็ทำบาปด้วยทำบุญด้วยงั้นอย่าเอาเงินที่ไม่ใช่เป็นของเรามาทำบุญเอาเงินส่วนที่เขาให้เราเป็นของเราอย่างแท้จริง อัน น, นั้นเอาไปทําบุญได้เช่นเขาอาจจะให้เงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับใช้จ่ายค่ากับข้าวกับปลาค่าน้ําค่าไฟแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ให้เธอเอาไปใช้นะเธอเอาไปใช้อะไรก็ได้เอแต่ส่วนนั้นก็เอาไปทําบุญได้แต่เขาจะไม่ได้บุญเพรามันเป็นของเราเราจะเป็นคนได้บุญเขาจะได้บุญต่อเมื่อเขาสั่งว่าเอาเงินนี้ไปทําบุญให้หน่อยนะเอาไปใส่บาตรทุกวันนะเงินส่วนนี้เอาไปใส่บาตรทุกวัน ถ้าเขาบอกอย่างนี้เขาก็จะได้บุญเขาต้องมีเจตนามีความตั้งใจแล้วต้องเป็นเงินของเขาเขาถึงจะได้บุญเราก็เหมือนกันมันเราก็ต้องมีเจตนาแล้วก็ต้องเป็ น, เ, ปนเงินของเราถ้าเราไปเอาเงินของที่เขาให้ไปใช้ในทางอื่นมาทำบุญก็เป็นการยักยอกทรัพย์ก็เป็นการเหมือนไปทำบาปไปทำอธินาดานาเวรมณี ไปรักทรัพย์ของเขามาทำบุญเนี่ยทำนี้ไม่ได้ไม่คุ้มเพราะว่าบาปมันมีโทษแรงกว่าบุญมีน้ำหนักมีโทษหนักกว่าบุญที่เราจะได้รับเนั้นอย่าไปทาบาเพื่อจะเอามาทำบุญบางคนเห็นเขามีเงินมีทองทำบุญก็เยอะตัวเองก็อยากจะทำบุญเยอะๆก็เลยไปช่อราดบางหลวงเนี้อย่างนี้ก็อย่าไปทำไม่คุ้มได้ไม่คุมมค้มเสีย ต้องถามจากคุณนัทธงยาปวดน้ําแบบปากกปล่าวกับปวดน้ําจริงๆลงพื้นดินคนที่เราอุทิศให้บุญจะได้เท่ากันไหมคะเออปากปล่า ก, ก็ไม่ได้บุญน้ําก็ไม่ได้บุญต้องออกมาจากใจต้องอุทิศด้วยใจต้องระลึกภายในใจว่าข้าพเจ้าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบิดามารดาปูา่ย่าตายายผู้ที่่วงรับไปแล้ว ถ้าท่านกำลังรอรับส่วนบุญส่วนนี้อยู่ก็ขอให้ท่านมารับไปเถิดอย่างเงี้ยให้คิดในใจเพราะบุญมันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในน้าไม่ได้อยู่ที่ปากนะงนั้นต้องให้ออกมาจากใจเวลาเราทำบุญแล้วใจเรามีความสุขเนะี่ยตอนนั้นเราควรที่จะอุทิศความสุขนั้นให้กับผู้ร้องรับไปแล้วความสุขใจอิ่มใจคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะตอนนี้ใจเขาหิวใจเขาโหยไม่มีความสุข พอเราแบ่งความสุขใจอิ่มใจให้กับเขาความหิวโหยสงงใจเขาก็หายไปข้อถามจากคุณตะวันถ้าเราไปร่วมเกินพระอริยะโดยไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยะเป็นบาปไหมคะเช่นโสดาบันที่เป็นคารวะค่ะคือถ้าทําบาปไม่ว่าจะทํากับใครมันก็บาปทั้งนั้นแนะ่ะถ้าเป็นรักทรัพย์ของเขานี่ไม่ว่าจะเป็นของพระโสดาบานันหรือของคนธรรมดา มันก็บาปนะนั้นแหละเอาปาขโมยข้าวมามากินนี่ยังบาปเลยคำถามจากคุณกนกพรขอถามพระอาจารย์ว่าลูกคิดว่าจะรอคุณอาอายุแปดสิบเก้าปีตายก่อนแล้วเงินของท่านทั้งหมดเราจะไปทําบุญทั้งหมดให้แก่คุณอาทั้งทั้งที่โดยการที่ทําที่โรงพยาบาลกับทําบุญที่วัด แล้วอย่างนี้คุณอาจะได้รับบุญที่เราทาให้ใหม่ก็คะ่ะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้คิดเอาเงินไปทำบุญเท่าท่านมีอายุท่านมีเงินอยู่หลายแสนบาทอยู่เจ้าคะ่ะแต่ลูกต้องการจะเอาของท่านไปเลยเจ้าคะ่ะคือถ้าท่านทำเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านจะได้ร้อยทั้งร้อยถ้าท่านตายไปแล้วเราทำให้ท่านเนี้ยท่านจะได้แค่ร้อยละร้อยละหนึ่งบุญอุทินนี้จะบอุทิศได้ไม่มาก ประมาณร้อยลวหนึ่งท่านเองถ้าย่งนั้นบอกท่านว่าถ้าท่านอยากจะได้ร้อยเต็มร้อยก็ให้ท่านทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้บริจาคไปเลยให้โรงพยาบาลให้วัดให้ใครไปก็ได้แล้วก็ท่านจะได้ร้อยเต็มร้อยเอาไปติดตัวได้เลยแต่ท่านจะให้ส่งไปนี่ส่งได้แค่ร้อยละหนึ่งท่านเองคำถามจากคุณสุวรรณา ขณะนั่งฟังธรรมเราสามารถคิดตามคําสอนไปด้วยจะทําให้เราคิดฟุ้งซ่านไหมเจ้าคะถ้าฟังธรรมแล้วคิดตามไปด้วยก็จะได้ปัญญาไม่ฟุ้งซ่านหรอกนอกจากธรรมที่แสดงเป็นธรรมฟุง้งซ่านก็จะฟุง้งซ่านตามต่อไปต่อไปพระฟังพระการเมืองนี้เดี๋ยวท่านก็พูดเรื่องการเมืองขึ้นมาเดี๋ยวฟังแล้วมันก็คิดตามมันก็ฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าท่านแสดงธรรมธรรไม่มีวันฟุง้งซ่านธรรมนี้จะทําให้ใจสงบ หมนแล้วเลยอ่าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ได้รู้ว่เพื่อนเราเป็นคนขยันใส่บาตรทุกวันเลยเราฝากตังเพื่อนไปใส่บาตรทุกวันเจะได้บุญเหมือนที่เราไปยืนใส่บาตรทุกวันได้ได้เหมือนกันได้เก้าสิบเก้าแล้วกันอี ก, อ, กอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งให้เขาไปในฐานะก็เป็นคนใส่ <c oughs> ให้เนะาใส่ <c oughs> ให้เขาเปอร์เซ็นต์ <c oughs> อในเก้าสิบเก้าอ่อให้เเปอร์เซ็นหนึ่งสําหรับค่าจ้างค่าจ้างใส่บาทใถ้าเราทําเอนก็จะได้เต็มร <c oughs> ้อย เ, เดี๋ยวก็มีเข้ามาใช่ไหม ย, ย, ยังไม่มี เ, เดี๋ยวเข้ามาเมื่อวานนี้คนที่ตกค้างอยู่มีคนบางคนบ่นว่าถามที่ไรไม่ได้ตอบทันที <c oughs> ไม่ได้ฟังทันทีไม่ว่าจังหวะไม่ดีมั้งถามทีไรก็ช่วงสัญญาณ อ่าสัญญาณหลุดบ้างหรือตอบไปแล้วไม่ได้ได้ฟังอะไรบางทีบอกไม่ไม่ไมถามแล้วตอบไปนี่ดูทูปมีเข้ามาห้าหีอือสานว่าไงน้ำปานะเหรอค่ะคือน้าปานาเราจะมีห้องเก็บของแล้วก็ทุกวันจะมีลูกศิษย์มาประเคนของที่พันยาฉันเฉพาะวัน เต็นน้ำน้ำผลไม้น้ำชากาแฟหรือของอะไรที่ต้องประเคนก็จะประเคนแล้วช่วงบ่ายสี่โมงกว่าหลังจากพระบ่ายกว่าเสร็จแล้วท่านก็จะมาฉันวมกันที่นี่จะไม่ได้เอากลับไปฉันที่กุฏิของใครของมันอันนี้จะเป็นของส่วนกลางทั้งหมดเอาพวกกนน้้ผผัลไม๋อออะไรวเ่บางอย่างถ้ามันถือว่าเป็นอาหารก็ไม่ได้พวกผักผลพวกผักนี่มันถือว่าเป็น ของพวกอาหารน้ำผักนี้ฉันไม่ได้ต้องเป็นน้ำผลไม้แล้วน้ำผลไม้นี่ต้องไม่ใหญ่กว่ากําปั้นเช่นมะพร้าวอย่างนี้ไม่ได้ส้มโออย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นน้ำเช่นอมโหวนน้ำแอปเปิ้ลน้ำมะม่วงน้ำส้มอะไรเงี้ยก็ได้เกินถ้ามีน้ําตาลถ้ารับประเคนก็ชันได้ต้องไม่เกินเจ็ดวันเนี่ย ของอะไรที่มีน้ําตาลนี่ถ้าเรารับประเค้นน้าตาลนี่เราจะเก็บไว้ฉันเองได้เจดวันหลังจากนั้นก็ต้องสละไปดังั้นของที่มาเยอะๆนี่จึงไม่ให้จึงไม่รับประเค้นให้ฝากไว้ก่อนแล้วเวลาพระต้องการก็จะให้ลูกศิษย์หยิบมาแบ่งมาถวายเท่าที่จําเป็นแต่ขณะที่ไม่ได้ประเค้นก็อยากจะฉันก็ไปแตะไม่ได้เอามาฉันไม่ได้ต้องไปหาลูกศิษย์บาประเค้นให้ถึงยาวมาฉันได้เพราะถ้ารับประเค้นแล้วถือว่าเป็นสมบัติของพระแล้ว พรพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมสมบัติเนี่ยถ้ารับประเคตแล้วของบางอย่างนี้พอเช้าถึงเที่ยงก็หมดอายุละอาหารอาหารข้าวหวานทั้งหลายเนี่ยพอใส่บาตรมานี่พอชันเสร็จพอหลังเพนนี้เก็บไว้ไม่ได้นะจะเก็บไว้ฉันพรุ่งนี้ต่อไม่ได้นะอันนี้ต้องสละไปละส่วนของที่เก็บได้เจ็ดวันก็ลับมาแล้วก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันเช่นน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งอย่างนี้ย ตรงนี้ถ้ารับประเคสแล้วเก็บได้เจวันแต่ถ้ามันควรใหญ่ใญ่อย่างนี้บางทีฉันไม่หมดฉันไปได้ครึ่งขวดที่เหลือก็ต้องสละไปไม่ให้เก็บไว้ชันต่อแล้วมีพวกที่เก็บไว้ได้ตลอดก็คือพวกอยู่ยายายาสามัญประจําบ้านอะไรพวกนี้ยาแก้ปวดหัวแก้ปวดท้องนี่รับประเคสได้เวลาไหนก็รับประเคสได้เพราะสามารถเก็บไว้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าอาหารถ้าญาติโยมมาถวายตอนนี้แล้วรับประเคสนี่ก็ เก็บ <PTSD> ไว้วันนี้ไม่ได้เก็บไว้กินพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะถือว่ามันหมดอายุแล้วดะงนั้นของงอย่างที่เป็นอาหารจึงบอกให้แยกเอาไว้ก่อนแม้จะเป็นเครื่องกระป๋องของไม่เสียก็ตามแต่มันก็ยังเป็นอาหารอยู่น้ำผัก <gaat> ก็ถือว่าเป็นอาหารน้ำนมต่างๆก็ถือว่าเป็นอาหารน้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมวัวนี้มันก็ถือเป็นเป็นอาหารหมดทันไม่ได้รับประเคนไม่ได้รับประเคนตอนบ่ายไม่ได้ฉันตอนบ่ายไม่ได้ ต้องรับประเค้นตอนเช้าตอนขณะที่กำลังฉันหรือตอนใส่บาตนี้ได้อยู่แต่ถ้ารับมาทั้งหมดก็ต้องสละทั้งหมดถ้าเหลือก็ต้องสละหมดให้เก็บไว้ไม่ได้แต่อยากจะให้พระเก็บไว้ก็แบ่งถวายหรือฝากลูกศิษย์ไว้แล้วลูกศิษย์จะค่อยๆถ อ, อยถวายให้เวลาฉันทีนี่นคือเหตุผลว่าทําไมพระถึงรับประเค้นกับมือไม่ได้ญาติโยมบางทีกลัวไม่ได้บุญถ้าไม่ได้รับกับมือก็จะไม่ได้บุญ ได้แต่พระจะบาปเสร็จเพราะพระจะทําผิดพระวินยัยหรือจะไม่สามารถฉันของโยมที่ถวายให้ได้เพราะโยมาเข้ามาถวายตอนนี้เราจะให้เก็บไว้ฉันพวกนี้พอละลาบแล้วเราเก็บไว้ไม่ได้แล้วเราจะให้ฉันพวกนี้ก็ต้องวางไว้แล้วเดี๋ยวพวงนี้ลูกศิษย์จะมาถวายให้อย่างนี้ได้อยู่แต่จะแต่จะมาหยิบถวายจะจะหยิบฉันเองก็ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ประเคน มีแต่เขาปิดแล้วเพราะว่าเขายุ่งยากเห็นคนมาทําครัวแล้วมันมาตีกันในครัวก็เลยปิดครัวไปดีกว่าแต่เขาจะที่นี่เขาจะมีเหมือนกับคนที่อยู่ใกล้ๆเขาจะรับทําอาหารมาส่งให้คนที่อยากจะใส่บาตรเขาก็จะมารับออเดอร์อะต้องการที่จะอาหารกี่ชุดข้าวกี่ขันอะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็จะทํามาให้ตอนเช้าก็จะส่งมา ญาติโยมที่อยู่อยู่ที่มาอยู่วัดอยากจะทําบุญก็สะดวกไม่ต้องมาวุ่นวายกันเรื่องการประทํากับข้าวกับปลาอาหารเขามาถึงเขาก็จัดมาให้เสร็จมีข้าวมีกับมีอะไรพร้อมญาติโยมก็มาตั ก, ตกบาทใส่บาทได้เลยเพียงแต่จ่ายเงินให้เขาไปนั่นเองคือตัดปัญหาเรื่องโรงครัวไปก็ดีญาติโยมจะได้มีเวลาภาวนานกันได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องมากังวลอย่าเรื่องมาเตรียมตัวทำกับข้าวกับปลาอาหารนะที่นี่มีสองส่วนไงส่วนข้างบนนี้กับส่วนข้างล่างส่วนข้างบนนี้จะมีประมาณทักงสิบห้ารูปส่วนข้างล่างตอนนี้ก็คือรวมทั้งทั้งหมดมันมีเก้าสิบเนี่ยส่วนข้างล่างตอนนี้ก็มีประมาณเจ็ดสิบห้าข้างบนนี้จะมีน้อยหนึ่งเพราะกุฏิมันมีน้อยสองก็ มันยากลาบากกว่าเพราะข้างบนไม่มีน้าไม่มีไฟคือต้องอาศายน้ําฝนลองใส่แท่งน้ำตือมาใช้น้ำที่เขาบรรทุกน้ำใสามาใช้ที่ห้องส้วมนี้แล้วก็ตอนเช้ามืดก็ต้องเดินลงไปตั้งแต่ยังไม่ยังไม่สว่างเพื่อจะอลองไปบิทบาทให้ไปทานบินทบาทก็คนที่จะขึ้นมาอยู่มักจะเป็นคนที่ชอบความสงบ ชอบภาวนาชอบปิเวกถ้าคนที่เพิ่งบวชใหม่เนี่ยเขายังกลัวยังยังยังไม่อยากจะขึ้นมาเพราะมันมันไม่สะดวกทั้งทา ง, ทางร่างกายและทางจิตใจม <c oughs> ีเข้ามาอยังอ่าเขามาว่าต่อคำถามจาก YouTube ม <c oughs> ีเพื่อนบ้านมาขอความช่วยเหลือ เรื่องการเงินจึงให้ความช่วยเหลือไปโดยไม่คิดค่าดอกเบี้ยให้เขาผ่อนชําระเป็นเดือนๆจนกว่าจะหมดเป็นกุศลไหนครับและเป็นกุศลประเภทไหนครับก็เป็นก็คือเราได้ช่วยเหลือเขาเราให้เขายืมเงินไปก็เหมือนยืมข้าวของไปใช้เขาไม่มีหม้อหุงข้าวเราให้เขายืมข้าวของไปเขาก็จะได้มีหม้อหุงข้าวหุงข้าวกินอ จะเรียกว่าเป็นทานก็เป็นทานแบบเราก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแ้าเรียกว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือกันก็เป็นบุญอีกอย่างคือบุญมีการให้ข้าวของก็เรียกว่าทานการช่วยเหลือกันก็เรียกว่าบุญอีกอย่างหนึ่งบุญมีสิบประเภทนะการที่เราช่วยเหลือเขาแต่เราไม่ได้ให้อะไรเขาให้เขายืมอย่างนี้ยังไม่ได้ถือว่าให้ให้เขายืมถ้าอยากจะให้เป็นทานก็ให้เขาไปเลยไม่ต้องเอาคืน ถ้าเอาคืนก็แปว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือก็แล้วกันเหมือนคนที่เขาเดินลื่นหกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ไหวล้วก็ช่วยประยุงเขาให้ลุลกขึ้นมายืนได้ก็เรียวกว่าเป็นการช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันคาถามจากคุณอุสาเวลาฟังธรรมทำงานไปด้วยได้ไหมคะคือการฟังธรรมจะได้ประโยชน์เต็มที่มันต้องฟังอย่างเดียว พราะการฟังธรรมนี้มันเหมือนกับการเรียนหนังสือเวลาเราคล้องเรียนเราไปขออาจารย์ว่าผมขอคุยโทรศัพท์กับเพื่อนหน่อยได้ไมเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่หไหมเพราะใจมันจะเป็นสองมันจะอยู่กับคุยกันมันอยู่กับฟังมันเดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องทั้งสองอย่าง <S <S เห็นถ้าอยากจะได้ผลเตียงเต็มที่ควรจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะทํางานก็ทําไปมันจะได้ให้มีสติอยู่กับการทํางานมันก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติ ดีกว่าฟังทำไปแล้วทํางานไปเทำผิดผิดถูกถูกฟังแบบผิดผิดถูกถูกไปมันก็จะได้ไม่ไม่เต็มที่แต่ไม่ไม่ห้ามถ้าจะให้เลือกระหว่างฟังทำกับฟังเพลงระหว่างทํางานไปอะฟังทำก็ดีกว่าฟังฟังเพลงคอถามจากคุณวัดการทําบุญใส่ซองกระถินผ้าป่าเมื่อพร้อมแล้วก็นําให้คนในครอบครัว ญาติพี่น้องจบหรืออนุโมทนาด้วยจะได้บุญเหมือนกันทุกคนไหมครับไม่หรอกบุญคนละอย่างกันนะบุญที่เราให้ของให้เงินกับบุญที่อนุโมทนานี่คนละบุญกันคนละแบบกันเหมือนเสื้อผ้าคนละชนิดกันเสื้อแขนยาวกับเสื้อแขนสั้นอย่างเงี้ยมันคนละแบบกันแต่ก็เป็นบุญให้เคยให้ความสุขใจเหมือนกันแต่สุขมากสุขน้อยต่างกันแล้วอันิสงส์ที่จะได้รับก็ต่างกัน คนที่อนุโมทนาบุญนี้จะไม่ได้ทรัพย์สมบัติไม่มีเงินทองติดตัวไปเพราะไม่ได้สละทรพย์สมบัติเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่รวยกว่าเก่าคนที่เสียงเงินทองไปนี่แหละเวลากลับมาเกิดใหม่จะรวยกว่าเก่าเพราะเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญไงแต่คนที่อนุโมทนาเพียงแต่แสดงความยินดีกับการทําบุญของผู้อื่นก็มีความรู้สึกสุขใจไปด้วย แต่ก็จะไม่มีเงินทองรอเราอยู่เพราะเราไม่ได้ทําคําถามจากคุณวิรัตพวกน้ําอ้อยน้ําตาลครบเจ็ดวันแล้วสละให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ประเคนคืนสามารถเก็บไว้ได้อีกเจ็ดวันไหมครับต้องอยู่ที่ว่าเราไปสั่งเขาหรือเปล่าถ้าให้เารับหล่อให้ประเคนคืนนี่ก็ไม่ได้ไม่ถูกแต่บอกอะเอาไปรับ ล, ลูกศิษย์อยากจะทําบุญเอามาถวายใหม่อย่างนี้ก็ได้ ดังนั้นเบอกว่าถ้าจะสละาดให้สลาดให้กับลูกศิษย์ที่ฉลาด <laughs> <laughs> ถ้าลูกศิษย์ง่อมันก็ไปกินเท <laughs> ่านลูกศิษย์ฉลาดมัก็บอกเออของนี้หลวงพ่อกินได้นี่วะยังไม่เสียเอามาบะเคนใหม่เอามาถวายใหม่ถ้าลูกศิษย์ก็จะได้บุญด้วยเ <laughs> พราะเป็นของลูกศิษย์แล้วไงหลวงพ่อสละให้ลูกศิษย์ไปแล้วลูกศิษย์จะไปกินก็ได้ลูกศิษย์จะไปทําบุญก็ได้ คบถามจากคุณทศวรรณการพิจารณาความโลภโกรธหลงอยู่ในนามขันข้อไหนครับ อ, อ๋อไม่ได้อยู่ในนามขันหรอกโลภโกรธหลงนี่มันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจที่เราจะต้องกําจัดน่านามขันนี่มันไม่มีไม่มีความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าก็ยังมีนามขันอยู่หลังจากที่ตัดสซลุแล้วท่านก็ยังมีนามขันอยู่ท่านยังมีความคิดมีความจํามีอะไรอยู่ แต่ความคิดความจำไม่ได้ไปเป็นลูกลูกน้องของกิเลสไปได้ไปรับใช้กิเลสนพวกเรานี้ยังเอาความคิดความจามารับใช้กิเลสอยู่คิดถึงเงินก็แหมยอยากจะได้โลกขึ้นมาเแต่พระพุทธเจ้าคิดถึงเงินแล้วอยากจะให้ไม่มีอยากจะคิดิดตัวระแบบค่ะ <c> ค <oughs> ำถามจากคุณพัดลูกสอนให้ลูกวยัยวัยสิบขวบกับเจ็ดขวบนั่งสมาธิวันละห้านาที หลังจากนั่งถามว่าเป็นอย่างไรลูกบอกว่าเหมือนตกหลุมแล้วตัวลอยขึ้นวันต่อมาก็เป็นเหมือนเดิมแล้วมีแสงสีขาวจึงตามไปก็ได้แนะนำตามพระอาจารย์บอกคือให้อยู่กับลมหายใจต่อไป <c oughs> ขอพระอาจารย์แนะนาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัยเขาด้วยค่ะคือความจริงเด็กแต่ละคนนี่ก็มีมีบุญมีอะไรมาไม่เหมือนกัน ย้อนจะไปประมาทว่าเด็กเขาไม่ควรจะนั่งก็ไม่ได้เองแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าบางทีเด็กบางคนก็โง่ก็มีเด็กบางคนฉลาดก็มีถ้าจะสอนให้เขานั่งเราต้องสอนให้เขาถูกอย่าปล่อยให้เขาทําโดยที่ไม่มีการสอนที่ถูกก็นั่งที่แล้วเกิดไปเห็นอะไรน่ากลัวหรืออะไรเขาอาจจะกลัวไปตลอดชีวิตก็ได้เนีเราต้องสอนเขาให้รู้จักวิธี ควบคุมใจเวลาที่เกิดก็นั่งแล้วก็ไปเจออะไรที่น่ากลัวจะให้เขาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับลมไปถ้านั่งแล้วเกิดมีอะไรมาให้เห็นที่น่ากลัวแล้วไปเจออะไรที่น่ารักก็อย่าไปตามอย่าไปยิน ด, ดีเดี๋ยวจะหลงจะติดนั่งให้ให้ติดความสงบให้ติดความนิ่งให้ติดความสงบความว่างอันนี้ไม่มีพิษไม่มีภยัยมีประโยชน์กับจิตใจ ในเวลานั่งก็ต้องคอยถามคอยนั่งแล้วเป็นยังไงเห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นอะไรหรือเปล่าต้องเห็นก็ต้องบอกเขาาอย่าไปตามรู้ให้อยู่กับลมหายใจเอให้อยู่กับพุทธโธไปอะไรงนี้อันนี้ก็สอนได้แ ต, ต่ต้องสอนให้ถูกวิธีอตาบอกให้นั่งเฉยๆนั่งไว้เถอดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้เองอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันคนบางคนมันเห็นแล้วเดี๋ยวไปเห็นอะไรนั่งกลัวมันจะกลัวไปจะไม่กล้านั่งต่อไป ถามจากคุณบุญมากการนั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งมีวิธีอย่างไรหรือมีอุบายอย่างไรให้จิตจะนิ่งสงบครับก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆก่อนสติเป็นเหมือนเชือกที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าเชือกมันเป็นเชือกกล้วยพอดึงปั๊บมันก็ขาดดึงปั๊บมันก็ขาดต้องทําให้กลายเป็นเชือกไนล่อนขึ้นมาก่อนจะเป็นไนล่อนได้ก็ต้องฝึกสติอยู่บ่อย ปลอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งเอาตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเลยพุโทโธไปเลยเหรือเฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลากำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้เป็นการสร้างสติขึ้นมาถ้ารดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายอยู่กับพุโทโธได้เวลานั่งจะให้อยู่กับลมมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะสงบได้คำถามจากยู u ูบบาปคืออะไรครับบาปคือความร้อนใจ เวลาทำแล้วเกิดความรุ่มร้อนใจนี่เลยก็าบาปเวลาฆ่าเวลารักทรัพย์ในี่ใจมันจะร้อนขึ้นมาใจจะไม่เย็นเวลาทําบุญแล้วใจจะเย็นบุญก็คือความเย็นใจบาปก็คือความร้อนใจร้อนมากๆก็เป็นนรกไปร้อนประมาณก็เป็นเปรเป็นผีหรือร้อนอย่างต่ามก็มาเป็นเดชะฉานเนี่ย ในราง น, นี่มันร้อนกับมนุษย์นะมันอยู่เนี่ยมันต้องหวาดกลัววิตกเดี๋ยวจะดุตัวไหนมากัดมากินมนุษย์เราปลอดภัยกว่าตละลเเย็นกว่าถ้าเป็นเทวดายิ่งเย็นใหญ่เทวดานี่ก็จะเย็นมีรูปทิพย์เสียงทิพย์มาคอยให้อ่าให้ฟังให้ดูเพลิดเพลินมีความสุขเเกิดจากบุญความร้อนใจก็เกิดจากบาป ถ้าเกิดจากกิเลส ด, ด้วยไม่ใช่แต่จะบาปบางทีไม่ได้ทําบาปเพียงแต่โลภมันก็ร้อนขึ้นมาแล้วเพียงแต่โกรธมันก็ร้อนขึ้นมาแล้วทั้งบาป ท, ทั้งกิเลสเนี่ยเป็นภัยต่อจิตใจเหมือนตัวผลิตความร้อนให้กับใจส่วนบุญนี่กับสตินี่กับธรรมะนี่จะทําให้ใจสงบจะทําให้ใจเย็นคำถามจากป้านอม พระอาจารย์คะฉีดยาฆ่ า, มาแมลงสาบในห้องแล้วทําบุญให้เขาบาปนั้นจะน้อยลงไหมคะ <c oughs> บางคนบอกคิดมากไปมแมลงตัวเล็กๆเองไม่งั้นห้องเราเชื้อโรค ก, ก็เยอะแต่ตอนนี้ลูกไม่เคยฉีดยาฆ่ า, มาแมลงสาบเลยเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อบาปที่ทําไว้เป็นทําให้มนันลดไม่ได้หรอกอยาให้มนันลดก็อย่าไปทํามันแล้วเดี๋ยวบาปเก่าที่เราใช้หมดมันก็หมดไปแต่อย่าไปทําบาปใหม่ ทำบาปแล้วไปทำบุญเป็นคนละคนละกระทงกันเป็นคนละเรื่องกันทำบาปแล้วไปทำบุญไม่ได้ทำให้บาปน้อยลงไปทำบาปก็บาปก็มากขึ้นทำบุญบุญก็มากขึ้นมันก็มันคนละอย่างกันคนละเรื่องกันความถ่มจากคุณกิติเพื่อรับทรงข่าวมาจากการตรวจรับแต่เขานำเงินทั้งหมดส่งไปช่วยสถานสงเคราะห์ ถือว่าบาปไหมครับให้ลูกน้องไปส่งโดยไม่ได้เปิดดูจํานวนเงินว่ามีเท่าไหร่ถ้าเราไม่รับไว้เองมันก็ไม่บาปนะแต่เราเอาไปทําบุญนี่จะเรียกว่าเป็นเงินของเราก็ไม่ได้อเราก็ไม่ได้บุญเเรียกว่าเป็นบุญของใครก็ไม่รู้อะเป็นบุญของใครเป็นเจ้าของเงินนั้นก็เป็นแต่ถ้าของเงินี้เขาก็ไม่มีเจตนาจะทําบุญเขาก็ไม่ได้บุญเองอะก็ ก็อะไรไม่รู้เหมือนกันว่าในกรณีนี้ว่าจะเป็นของใครดี <c oughs> เราก็ไม่ได้เป็นของเจ้าของเราแต่อย่างน้อยเราไม่บาปเราก็ได้บุญจากการไม่ทํำบาปเกิดเราไม่ไม่ไม่ยักยอกคิดว่ามันน่าจะเป็นเงินของเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของเจ้านายเรามากกว่าเพราะเจ้านายเขาจ้างเรามาทํางาน <c oughs> ใช่ไหมฉะนั้นรายได้ที่เข้ามานี่มันควรจะเป็นส่งไปให้เจ้าของเขาจะดีกว่าส่งไปให้ ถ้าเป็นเจ้านายก็มีเจ้านายก็ส่งใบวันนี้เขาเขาให้มาอ่าก็ใส่เข้าไปในบัญชีอีกบัญชีนึ่งกับัญชีบริจาครับใช่ไหมทางราชการเขาก็ยังมีรับบริจาคได้ใช่ไหม <c oughs> อย่างคนมาติดต่อทางราชการเห็นการบริการดีอยากจะสนับสนุนก็บริจาค ก, ก็ได้อันนี้น่าจะถือว่าเป็นของของเจ้าของธุรกิจที่เราทําอยู่ถ้าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราเขาให้เงินพิเศษมานี่ นอกจากว่าช่างทางทางเจ้าของเข้าอนุญาตบอกว่าถ้าถ้าเขาให้มาแล้วคุณเก็บไว้ได้เป็นของคุณอันนี้ก็เป็นของเราไปเช่นไปทํางานตามร้านอาหารนี่ก็อาจจะมีทิปอย่างเงี้ยถ้ามีทิปแล้วเจ้าของก็บอกว่าเจ้าของร้านก็าบอกเออทิปนี้เป็นของคุณนะคุณเอาไปอย่างนี้ก็จะเป็นของเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกเนี่ยทิปนี่มึงก็ต้องเป็นของบริษัทไปเป็นของเจ้าของบริษัทไปเอาเลยอืตาม คำถามจากคุณเก๋หลานของดิฉันตอนนี้อยู่ม2มีความคิดในแง่ลบทำให้ตัวเองแย่และเครียดในเรื่องการเรียนและเพื่อนต้องทำอย่างไรดีคะก็ให้เขาคิดในทางที่ดีสิเี่ยก็ให้เขาคิดว่าเรียนดีกับเที่ยวเนี่ยเที่ยวแล้วเดี๋ยวเรียนไม่จบเรียนไม่จบเวลาไปหางานนี่จะไม่มีวุฒิเขาก็จะไม่จ้างหรือถ้าจ้างก็จะให้งานไม่ดี ให้ไปเป็นาพาลลงนี่แต่ถ้ามีวุฒิมีปริญญาก็อาจจะไว้ให้ไปเป็นหัวหน้า mm hmm. อะไรก็สอนเขาให้คิดไปในทางที่ดีคิดถึงอนาคตของเขาที่จะตามมาต่อไปคำถามเจากคุณบุรภาผ้ามา่านอยากฝึกลูกชายนั่งสมาธิเจ้าค่ะอายุแปดขวบทำอย่งไรคะฝึกตัวเองก่อนเถิดฝ <c oughs> <c oughs> ึกตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปฝึกลูก เลือกึกพร้อมกันก็ได้ถ้าอยาให้ลูกนั่งก็ตัวเองก็นั่งด้วยพาลูกนั่งด้วยดีที่สุดก็คือทำพร้อมกันคำถามสุดท้ายจากคำถามจากคุณอุษานะคะขอถามเงินที่ลูกให้แม่มาแล้วเอาไปทำบุญให้ลูกแล้วแบ่งบุญให้ลูกลูกจะได้บุญไหมเจ้าคะเงินที่แม่ให้ลูกมาแล้วลูกเอาไปทำบุญแล้วลูกก็ามาแบ่งให้แม่ได้ไง เงินที่ลูกให้แม่มาแล้วเอาไปทําบุญให้ลูกแล้วแต่งบุญให้ลูกๆจะได้ไหมคะคือแม่เอาเงินที่ลูกให้ไปทําบุญก็เป็นของแม่ทั้งหมดลูกก็ได้บุญอยู่แล้วไงได้บุญจากการที่เอาเงินให้แม่ไงแต่ลูกคนไหนไม่ได้ให้ลูกคนนั้นก็ไม่ได้ได้แต่คนที่ให้เงินแม่แล้วแม่เอาเงินนี้ไปทําบุญเงินเงินที่ไปทําบุญนี้ก็เป็นของแม่หมดไม่ได้เป็นของลูก แต่ลูกก็ได้แล้วได้บุญตรงที่ว่าให้เงินแม่ไปการให้เงินแม่ก็เป็นการทำบุญแล้วการที่แม่เอาเงินไปให้พระก็เป็นการทำบุญอีกต่อนึงคนที่ให้คนนั้นก็จะได้คนที่ไม่ให้ในี้ไม่ได้ถึงแม้จะมาแบ่งให้ก็แบ่งไม่ได้จะนํามาแบ่งให้ลูกๆคนอื่นที่ไม่ได้ให้เหงนินแม่ไปเขาก็ไม่ได้บุญเร า, าอยากจะได้บุญก็มีสองทางให้กับแม่ไปหรือไปทําบุญเองถึงจะได้บุญหมดแล้วใช่ไหม นะขอคำถามสุดท้ายนะะสุดท้ายอนะาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราทำสม่ำเสมอสี่ห้าทุกวันสแปดวันคะแล้วก็สวมนตไหว้พระทุกคืนมาธิคือสัสามสิบนาทีเราจะพอปิขบายได้ยัีไงได้ถ้ามันเพียงแต่รักษาสีนห้าได้ก็เปิดได้แล้วล่ะถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปถึงชั้นผอมแต่จะพอมเดียวเดียวบางท่านสามสิบนาทีก็ผอม ผมสามสิบนาที <laughs> ตอกขึ้นไปปั๊บก็ล่วงลงมาถ <laughs> ้าอยากจะอยู่า น, นานๆก็ต้องนั่งสมาธิเยอะๆแต่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปมันก็จะเหมือนกับจุดไฟเนะ่จุดไฟป่าเนี่ยเวลาเริ่มต้นก็จุดแค่ไม่ขีดอันเดียวใช่มไหม จ, จุดตรงกองใบไม้ที่เราจุดนะเดี๋ยวมันก็เริ่มลุกนะเดี๋ยวมันก็ขยายไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนี้มันก็จะเริ่มจากเล็กไปหาน้อย เดี๋ยวต่อไปก็ไปบวชได้เดี๋ยวต่อไปก็ปฏิบัติได้เดี๋ยวก็บรรลุ ถ, ถึงนิพพานได้ถ้าปฏิบัติไปไม่หยุดนะถ้าไฟดับเมื่อไหร่ก็จบเมื่อ น, นั้นนะถ้าหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ไปไม่ถึงเมื่อ น, นั้นเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ